อ a ลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล a อ i ์อัลลอฮ a อัลลอฮ์ a ั a ล a ฮ์อั m a อฮ์อัลล a ฮ์อัล a อฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล a อฮ a i ัลลอ a ์อั a ล t ฮ์อั b ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ i ัลลอฮ์อั a ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล a อฮ์อัลลอฮ i อัลลอฮ์อ a ลล i ฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อั a ลอฮ์อัลล h ฮ์อั a ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอ ทำดูแล้ววันนี้เนื้อหาในสุร อ, อิบรอฮิมอะลัยอิสลามนะฮะที่เราจะมาศึกษากันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเนื้อหาในช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับคุรานเนี่ยท่านอาลีอิบนาบีตอเล็บเนี่ยได้เคยนิยามเอาไว้ ว่าคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มีจุดเด่นน่ประการหนึ่งก็คือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตอย่างถูกเจาะถูกต้องและเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนอันนี้คือหนึ่งนะครับคุรานเนี่ยจะเล่าเรื่องราวในอดีตสอง อัลกุรอานเป็นข้อตัดสินกับเหตุการณ์หรือว่ากับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นความขัดแย้งกันระหว่างใครก็ตามในสังคมอันนี้เป็นจุดเด่นข้อที่2ของขอัลกรุรอานมีปัญหาใดเนี่ยทุกปัญทุกประเด็นที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะฮะต้องมีทางออกจากอัลกรุรอานและประการที่3ก็คือกรุรอานเนี่ยเป็นการบอกข่าวคราวล่วงหน้าสําหรับคนที่ศึกษา อันกุรานซึ่งเหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยนิยามของความว่าล่วงหน้าล่วงหน้าตั้งแต่กุรอานถูกประทานลงมาจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากวันเกียร์มานั่นแสดงว่าคนที่ศึกษาอันกุรานเนี่ยคือคนที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นในแง่ของการศึกษาบทเรียนในแง่ของการมีมุมมองที่คมชัดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในแง่ของการ ล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็เป็นสิ่งที่ผมหยิบยกมาครั้งที่แล้วนะครับในความรู้ศาสตร์ต่างๆเช่นที่ อ, อ, อุลมามะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยได้ค้นพบค้นพบทฤษฎีบ i g b แบ g ใช่หฮะและก็เช่นกันค้นพบกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮูวาตาได้บอกว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากน้ำ อา ย, ายัดเดียวที่อันกุฎอ่านบอกไว้เนี่ยเ อ, อมนุษย์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จะเพิ่งมาค้นพบเอ่อ40ปีที่ผ่านมานั่นย่อมบ่งบอกถึงเ อ, อความล้ําสมัยผมเคยไปนําเสนอกับพี่น้องไปพันที่บอกว่ากุฎอ่านเนี่ยทันสมัยพี่น้องเขาก็เลยเขียนมาช่วงคําถามนะะเขาบอกว่าที่บอกว่ากุฎอ่านทันสมัยเนี่ยไม่น่าจะถูกต้อง ถ้าจะเป็นบาล้ําสมัยตอนหลังโมก็เลยเปลี่ยนว่าเออมันก็เป็นล้ําสมัยดีกว่าเพราะมันล้ําสมัยไม่ใช่ทันสมัยหมายถึงว่ามันเป็นของที่เราไม่ตกยุคนนี้คือความหมายของคำว่าทันสมัยแต่เขาบอกว่านี่เป็นล้ําสมัยมากกว่าซึ่งก็เห็นด้วยนะครับว่ากุรานเนี่ยล้ําสมัยจริงๆดังนั้นนี่คือความจําเป็นที่เราจะต้องให้กุรานเนี่ยเนําหน้าเรา ท่านนบีสุลตาร์เคยสำจริงบอกฮะที่บทหนึ่งเนี่ยใครที่ให้กุตอ่านนำหน้ากุตอ่านก็จะพาเขานไปสวรรค์แต่ถ้าใครที่เอากุตอ่านไว้ข้างหลังกุตอ่านก็จะดึงเข้าไปนรกนาอูซบิลลัยมุสลิมนะครับและในวันนี้ที่เราจะศึกษากันนะครับชอละประมาณเจ็ดอายะตั้งแต่อายะที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทีละอายะและพร้อมกับถอดบทเรียนเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะแต่กุตอ่านไม่ได้สอนในวันเกียร์มะอย่างเดียวนะ ทุกครั้งที่พูดถึงวันกิยามาเนี่ยหมายความว่าให้เราปรับปรุงพฤติกรรมในโลกนี้อัคีดาที่ถูกต้องในการที่เราศึกษ า, ากีรดาต่างๆนะครับ6ประการเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเคล็ดลับสําคัญก็คือเพื่อปรับปรุงการงานของเราในโลกนี้ให้ดีขึ้นอันนี้คือวิชาอัคีดาในอันกุรอะและเป็นส่วนที่เราเนี่ยจำเป็นต้องเอาใจใส่จะเป็นศรัทธาต่อหรต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมศรัทธาต่อบรรดาไมลิกะก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศรัทาตอบรดาเราซุนก็ต้องเปลี่ยนแปลงบรรดาคมภี์ทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนแปลงวันเกียรมะก็ต้องเปลี่ยนแปลงกรรลอบปรดัดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะเลาสุบฮานอหัวตจได้กล่าวอายะต่อไปนี้นะครับยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตทั้งสิ้นนะครับอูอนนูบบิลลลมมนชยรรีว فقال َََ الضعفاء َُ ل ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ ت َ ب َ ع َ ة فَهلْ َ أَن تُمْوُنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ ه َ د َ ا ن َ ا ل اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ส واء ์ علينا أجازعنا أم صبرنا ملانا مم حيس เร า, า, า, ามม ส, สุบฮานหัวใจได้กล่าวหลังจากที่พระองค์ได้พูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินแล้วก็ให้เราในได้ใไขขวดประหนึ่งว่าเราในเห็นการสร้างของร้อนจริงๆคือเห็นด้วยกับ หัวใจของเอสายตาของหัวใจนะครับเราก็ได้กล่าวว่าบอร์รูและพวกเขาบอร์รูนี่คือวาวุจมะตรงนี้นะฮะหมายถึงพวกเขาก็คือมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยบอร์รูแปลว่าปรากฏตัวก็คือซอฮารูปรากฏตัวลีและต่ออัลละฮฺเจมีอาทั้งหมดในอายะต่อๆไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะก็จะกล่าวกล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธกับกล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งบรรดาในหมู่ผู้ปฏิเสธเนี่ยจะมีการแบ่งแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ใ, ในหมู่ผู้ปฏิเสธโดยกลุ่มแรกที่ลอได้บอกฟกักกหละเมื่อต่างคนต่างปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วนี่จะเริ่มมีการขัดแย้งกันบรรดาอดดัตบูอาฟะเนี่ยก็คือคนที่อ่อนแอดวอฟะเป็นท่าหูโพสของคําว่าตัวอีฟตัวอีฟดวอาฟะซึ่งจริงๆแล้วในมนุษย์ทุกคนเนี่ยว่าคูณเรอินซานูตัวอีฟถูกสร้างมา อย่างอ่อนแอถูกสร้างมาอย่างอ่อนแอแต่คำว่าดัวอฟฟ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทุกคนแต่หมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อ่อนแออ่อนแอในการที่จะมีทัศนคติมีการปฏิบัติเป็นของตนเองเขาไม่สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติของตนเองได้นอกจากจะต้องถูกชักนำจากคนหนึ่งคนใด ซึ่งในมุมนี้ที่เป็นการชักนําเนี่ยก็คือในมุมที่ไม่ดีอันนี้บุคลิกภาพเนี่ยก็จะมีที่ท่านอับดุลลาห์สัมเทธิ์ถือว่าเอคนที่ดีที่สุดในความหมายฮะดิษนะฮะคนที่ดีที่สุดในยะฮิลียเนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดในอิสลามอิราฟกิฮูเมื่อเขาเนี่ยเข้าใจเราคือบุคลิกอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อสมัยยะฮิเลียะเรา ส, สังเกตดูก็ได้นะฮะสมัยยะฮิเลีย ไม่ดีอย่างไงเนี่ยและแต่เขาเป็นแกนนํานะฮะเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วหรือว่าเข้าใจอิสลามแล้วเนี่ยถ้าเขาจะเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีในลักษณะของคนที่เป็นแกนนําท่านนบีสุลต์ละฮฮุอะลัยอุสฺลามจึงขอดุอาให้กับท่านอุมัรอิบรุนอัมดุลซอ่าอุมัรอิมรุนขับต๋าหอว่าอัมรุนฮุชามก็คืออบูญจฮัลอัลลอฮฺมะอ ز ي ز ันอิสลาม ب ี أحدي ع م ر ย ي ن อักุมากอลาสุลต์ละฮ์ฮุสฺลัมอัลลอฮฺได้โปรดให้ หนึ่งในสองคนที่มีชื่อว่าอุมัดหรืออัมอุมัดกับอัมเนี่คือมีรากศัพท์เดียวกันก็เลยอุมารายขอให้หนึ่งในสองอุมัดนี้เนี่ยเข้ารับอิสลามทําไมฮะเพราะถ้าหากเขาเข้ารับอิสลามอันนี้นี่คือทฤษฎีหรือว่าการปฏิบัติของท่านน บ, บสีสอโลหะเลยสำหรับนบีสอโลสมรู้ธรรมชาติของคนเนี่ยว่าถ้าหากคนที่มีบทบาทได้เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้เขาเนี่ยให้ คุณค่ากับสังคมในอย่างมากมายเหมือนกับที่ถ้าเขาอยู่ในยาฮิเลียเนี่ยอาจจะสร้างความเสื่อมเสียกับสังคมมากมายเหมือนกันอันนี้เป็นความฉลาดของท่านอับดอลซอลอห์อะลเลาะวะสลัมแล้วก็เป็นคําสอนที่มาจากอิสลามโดยตรงเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือหรือใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นบุคคลที่เขาเนี่ยถ้าหากเขามีบทบาทการดึงเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามเราเราสังเกตดูนะครับ อย่างคนที่เขาอาจจะเด่นดังมาในสมัยเจริยาหรือคนที่เคยมีบทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามมาก่อนเลยนะฮะในสมัยเจริยาเนี่ยถ้าเขามาสนใจอิสลามแล้วเนี่ยอิทธิพลหรือว่าพลังที่จะส่งผลกระทบกับสังคมเนี่ยมันจะมากกว่าปกติหรือมากกว่าทั่วๆไปดังนั้นนี่คือการแบ่งเอ่อคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นการแบ่งเป็นความตักวานะฮะแต่มันเป็นเชิงเขาเรียกว่า เป็นเชิงเสียงวอลลุ่มอะฮะคือยิ่งยิ่งถ้าเป็นคนที่มีบทบาทมากเท่าไหร่เนี่ยปกติถ้าในยาฮิเลียเนี่ยความชั่วความเร็วมันก็กว้างขึ้นเท่านั้นและถ้าเข้าอิสลามเนี่ยมันก็จะความดีก็จะกว้างขึ้นเหมือนกันดันนั้นการเป็นคนที่มีบทบาทหรือมีอำนาจในบางครั้งเนี่ยตัวอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาเสียทีเดียว แต่ปัญหาคือคุณใช้มันน่ยอย่างไรอย่างเช่นอมมัมบุเขาอบประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยสอนเราอย่างดีเลยตัวท่านเองเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับอิสลามใช่ไหมฮะคือถามมุฮัมมัดอยู่ไหนฉันจะฆ่านี่คือรุนแรงมากคืออุมมัมบุเขาตอบเป็นคนที่ช่วงก่อนจรับอิสลามนี่คือขัดขวางด้วยความที่ท่านยังไม่เข้าใจรองค์ดิออล์ฮวนแต่หลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยก็เช่นกันก็ถามนาบีแม้ว่าจะเป็นเอสายรายงานจะไม่สั่งยัก็ตามนะฮะแต่เชิงประวัติศาสตร์อุลมามะเขาก็ถือว่าสามารถที่จะรายงานได้ที่่บอกวา เราอยู่บนสัจธรรมไม่ใช่หรือนบีทําไมเราต้องแอบแฝด้วาวะด้วยวน่าจะเปิดเผยนะเห็นไหมฮะคือพลังเนี่ยตอนที่จะตอนที่จะต่อต้านอิสลามอุมรัรก็มีท่าทีที่ชัดเจนในขณะเดียวกันเวลาที่ท่านจะเออเปิดเผยอิสลามเนี่ยก็เปิดเผยอย่าง ช, ชัดเจนเช่นกันนะครับลอสุบะฮานอวยแต่เราก็ฉายภาพให้เราเห็นเนี่ยเรื่องราวเหตุการณ์นในอนาคตในวันเกวมะบรรดาผู้อ่อนแอเขาก็จะกล่าวฟาโกละลิลลาฮนัสตักบารู เพราะเขาเคยมีสัมพันธ์กันกล่าวแกบ่บรรดาที่คนที่ตะกับบดก็คือใครฮะคนที่ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินนี้แต่เขาเป็นคนชั่วเป็นคนเลวซึ่งเขาจะกำหนดนโยบายต่างๆในการที่จะให้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นนะครับในโลกปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะแบบนี้คือพร้อมที่จะรับรับนโ ย, ยบายใดก็ตามที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยจากคนที่มีอำนาจแล้วก็ต้องการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน เขาก็จะกล่าวทวงกล่าวแก่บรรดาผู้ตะกับบดก็คือบรรดาแกนนำหรือาหัวหน้าเนี่ยในที่นี้เขาแปลว่ากล่าวแก่หัวหน้าแต่ในพระราชาตรงตัวก็คือบรรดาตะกับบดอิสติกบาร์อินนากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเนี่ยกุลนาเคยกุลนาเนี่ยในภาษาอรับกาเนี่ะนะครับเขาเรียกว่าอิสมูกาเนี่ยความหมายของมันเนี่ยลิสตาคริสก็คือบ่งบอกถึงเวลาเวลาในที่นี้ก็คือเวลาอดีตกุลนา พอแลแปลเนี่ยจะแปลว่าพวกเราเคยในที่นี้เขาแปลว่าอะไรฮะพวกเราเป็นผู้ติดตามอะเป็นจริงๆการน่าแปลว่าเป็นนะฮะแต่ว่าพอจะให้ความหมายพวกเราเคยก็คือในอดีตอดีตนี่คือไหนฮะอดีตก็คือปัจจุบันของเราเพราะเรื่องรานี่คืออนาคตอานาคตเล่าเรื่องรา อ, น า, อานาคตที่บอกถึงอดีตก็คือปัจจุบันนี้นะฮะอินนาคุณนาในดุลย์เนี่ยละกลุ่มตาบาอาเป็นผู้ปฏิบัติตามตาบาอันเนี่ยแปลว่าตามเป็นผู้ปฏิบัติตามละกลุ่มพวกท่าน ก็เลยทวงถามฟาฮัลอันตุมแล้วฟาห้าเนี่ยฟาเนี่แปลว่าแล้วฮัลแปลว่าหรือไม่อันตุมพวกท่านเนี่ยมูฮูนูนาอันนามูกูนูนามาจากคําว่าวกนีวกนีแปลว่าร่ารวยแต่คําว่าอักุนามูกูนีเนี่ยแปลว่าวกนีโกลนียุนแปลว่าร่ํารวยหรือแปลว่าเอพอเพียงแต่ถ้ามีฮัมซะเข้ามาข้างหน้าเนี่ยตรงนี้มันเป็น สับหน่อยนะฮะทำแล้วก็อัลนายุกนีมูกุนีอันนี้เป็นเท่พจน์ก็กลายเป็นมูกุนูน่ะจะแปลว่าทําให้ร่ํารวยหรือทําให้พอเพียงแล้วพวกท่านเนี่ยสามารถทําให้พวกเราพอเพียงก็จะแปลว่าช่วยเหลือพวกเราได้ไหมทําให้พวกเราพอเพียงก็คือทําให้พวกเราเนี่ยพอเพียงจากการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตันมูกุนูนะอันนามินจากอาซาบิลละการลงโทษของอัลลอฮ์ ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะจากการลงโทษของลอมินลิตเบิทนี่แปลว่าส่วนหนึ่งมินใช้บ้างไหมเขาจะแปลว่าอย่างไงครับให้พ้นจากการลงโทษของลออันนี้ไม่มีแต่จริงจะจะแปลเพิ่มตรงนี้ว่านะครับว่ามินใช้อีกบ้างไหมามว่ามินใช้นี่คือใช้อุลแปลว่าสิ่งหนึ่งแต่ถ้ามินเข้ามาข้างหน้านี่คือสิ่งหนึ่งปกตินี่คือน้อยแล้วใช่ไหมฮะน้อยกว่าสิ่งหนึ่งก็คือบ้างไหมพวกท่านเนี่ยสามารถที่จะ ให้ความช่วยเหลือต่อพวกเราจากการลงโทษของอัลลอสุบหฮานอหัวตาเนี่ยบ้างไหมบรรดาผู้อ่อนแอที่ปฏิเสธต่ออัลลอเนี่ยถามบรรดาผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ที่จะกับบทนั่นเองก็รูบรรดาผู้ตะกับปทบทก็จะตอบอันนี้อัลลอเอามาฉายภาพให้เห็นเป็นบทสนทนาที่พวกเขาเนี่ยพูดกันนะครับเราฮาดานัลลอเราเนี่ยในภาษาอ р а ริงมีคาว่าท่ายหลายๆคานะครับ แต่ถ้าเป็นคําว่าเราเนี่ยคือถ้าที่เป็นโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยไม่มีเราฮะดานะลอหมึนกับเราอันซันนะฮะดานอุรานาละเจเบลีคือมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติจะเกิดขึ้นถ้าเราจะประทานกุรอานลงมาบนภูเขาเนี่ยแล้วเราไอตาหูคอชิอันมุตซอดเดออันมินคอชิติละคือแน่นอนจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่เราไม่ได้ประทานลงมาบนภูเขาจริงนี่เช่นกันเราฮาดานะลอพวกเขาก็กล่าวว่าหากอัลลอฮ์ให้ทางนําสําหรับพวกเรา หรือชี้นำสำหรับพวกเราลาฮาดนากุม um พวกเราก็จะชี้นำพวกท่านหมายถึงว่าอัลลอฮ์คือจริงๆอัลลอฮ์ชี้นำในดุญยาใช่ไนฮะแต่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยปฏิเสธทางนำที่มาจากอ mm ัลลอ์สุบฮานอหูวตาลาเลือกด้วยกับตัวเอง mm hmm. นี่คือในวันกิยามัตเนี่ยพวกเขาก็ยังมีดุลนะฮะม mm ี hmm. ลักษณะหรือว่ามีความรู้สึกของการเป็นผู้นำ mm hmm. และคำกล่าวของดุล คนที่เป็นผู้ตามเนี่ยในวันเกียรติบดเองเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยเขาก็ถามในลักษณะของคนที่อ่อนแอเหมือนกันอพอมาถึงตรงนี้แล้วจะช่วยอะไรพวกเราต่อไปได้มีอะไรจะช่วยพวกเราไหมแล้วดูดูคํากล่าวของบรรดาผู้ที่ตะกับบดหรือคนที่เป็นแกนนำนะฮะเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าหากเร า, าให้ทางนําพวกเราเนี่ยพวกเราก็าจะให้ทางนําหรือชี้นาพวกท่านว่าเห็นไหมฮะอันนี้เขาก็เป็นพูดลักษณะของใครลักษณะของผู้นําแต่ทั้งคู่นี้ก็คือ ไม่ดีทั้งคู่อันนี้พูดในมุมของการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไม่ไม่เสมอไปว่าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยอันไหนดีกว่ากันแต่กำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ทั้งสองกลุ่มคนตามและคนนำที่เป็นคนไม่ดีและขณะเดียวกันคนตามและคนนำที่เป็นกลุ่มคนดีเนี่ยก็มีจึงไม่มีเอ่อสนาอิ ส, ส, สลสจึงไม่ไม่กาหนดว่าใครเนี่ยจะดีกว่าใครนอกจากตักวาเท่านั้น นันแสดงว่าบทบาทในการปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามความเหมาะสมอย่างสหายบาบบางคนท่านนบีสอลตารุอะลซันก็เคยบอกกับสหาบยท่านนั้นๆเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นสหายที่เเอเอตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอหมายถึงว่าบุคลิกก็คือไม่ใช่เป็นผู้นําท่านนบีบอกว่าท่านเนี่ยอยได้เป็นอย่าได้ขอตําแหน่งอย่าได้เป็นผู้นําแต่ในหมู่สหายบาบเหล่านี้ยก็เป็นชาวสวรรค์ได้แน่นอนใช่ไหมฮะ แสดงว่ามันไม่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีอะไรเหมือนกับคนอื่นเสมอไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอเป็นผู้นําเสมอแต่บางครั้งเนี่ยก็คือบทบาทต่างๆถ้าเรารับทราบดีว่าเอในส่วนไหนที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างดีที่สุดเนี่ยตรงนั้นก็คือโจทย์ที่เราจะเป็นต้องปฏิบัติเช่นกันนะครับเราฮาดานลลอหุหากอละลอให้ทางนํากับพวกเราลฮาเดานาขุมพวกเราก็จะให้ทางนําแก่พวกท่านบ้างซาวาอุลแล้วก็ยังยังบอกต่อไป เท่ากันสะวะอะไลนาะพวกเราเนี่ยเท่ากันเท่ากันหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยมีทางที่จะปฏิบัติสองอย่างหนึ่งคืออะไรครับร้องอดควรสองคืออดทนไม่ร้องอันนี้เวลาผู้นําเนี่ยเขาก็จะบอกกับผู้ตามพวกเขาพวกเราเนี่ยเท่ากันไม่ใช่หมายถึงว่าพวกเขาเท่ากันนะฮะคือผู้คนที่ปฏิบัติความชั่วไว้มากหรือว่ามีคนปฏิบัติตามความชั่วเขามากเนี่ยเขาย่อมถูกลงโทษเนี่ยมากกว่า แต่เท่ากันในที่นี้ก็คือสองประการนี้อาเยเซียนาอาเนี่ยแปลว่าลินอิสติฟามก็คือเป็นคําถามเป็นการให้เลือกอะฮะหรือเนี่ยแปลว่าหรือยเซียนาอาเยเซียนายเซียนาแปลว่าตีโพยตีพายในที่นี้แปลว่าอะไระกระวนกระวายหรือตีโพยตีพายพวกเราจะตีโพยตีพายอัมสบารนาหรือเราพวกเราจะอดทนเนี่ยมาลานามิมมฮิสมันก็ไม่มีทางรอดไปได้ เราดูสังเกตปกติในดุนยานี้เนี่ยถ้าหากคนทรมานลงโทษใครถ้าสมมุติเขาร้องขอร้องขอขอความช่วยเหลือพ อ, อฉันไม่ไหวแล้วอาจจะได้รับอะไรฮะได้รับความเห็นใจปล่อยก็ได้เอออ้นี่แต่สำหรับชาวนรกนะอูซบิลมันนัทสำหรับชาวนรกการลงโทษเนี่ยอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าจะขอ ให้ผ่อนปรนจากการลงโทษเนี่ยเขาจะมีในสโลครับผมจะเป็นฟุตซิลัสหรือว่ากอ ฟ, ฟิสนะฮะชาวนรกจะขอกับคอซาณติยจหันนัมก็คือผู้เฝ้าประตูนรกขอว่าได้โปรดให้ท่านเนี่ยช่วยขออัลลอฮ์ให้ลดโทษสักหนึ่งวันพวกเขาบอกว่าผู้ท่านเนี่ยเขาเคยไม่เคยเอ่อขอในรุ่นใาญ่ช่วยจงขอสิพวกท่านสามารถที่จะขอได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าแต่การขอหรือว่าด ع อาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ย ไม่ยังประโยชน์แต่อย่างทยอันนี้ก็เช่นกันคือปกติการขอหรือว่าการสมมติว่าการถูกลงโทษถูกทรมานแล้วรู้สึกยอมแล้วยอมแล้วคนก็จะรู้สึกเห็นใจใช่ไหมอันนี้ปกติในดุนยาแต่ในอาเคโรเน่ไม่เหมือนกันอ้เจ๊เจ๊นะคือเราจะร้องกวนกววยตีโพยตีพายหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ เราอุบิณล้วนั่นน่ะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผลประโยชน์นแม้แต่น้อยไม่เหมือนดุนยาที่คนอาจจะเห็นใจอัมซอบัตนะหรืออยู่ในสภาพที่อดทนดูบางทีคนอดทนอไม่เป็นเลยโอ้โหนี่มันทนจนเบื่อไปเอง<ถ>คือคุณจะอยู่ในสภาพไหนสภาพที่ร้องขอความช่วยเหลือตีโพยตีพายกระวนกระ ว, วายหรืออยู่ในสภาพที่อดทนบางคนอหู อ, อดพู้ลงโทษไปมันก็เท่านั้นแม้ว่าเราจะเลือกสองสภาพไหนนะฮะ มาลานามิมหิสไม่มีทางหนีและไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากการลงโทษได้หรือการลงโทษมันก็จะไม่ลดทอนแต่อย่างใดเหมือนกับอายะก่อนหน้านู้นที่เราสุบฮานะหัวตะวยะดีหินมะุตุมินกุนลิมการนะฮะความตายเนี่ยมามินกุนลิมการจากทุกทิศ ท, ทุกทางวะมาหัวบีมหิโดยพวกเขาไม่สามารถจะตายได้ วไป وقال الشيطان لما ق ال ُِ ي, ي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن, أن دعوتكم فاستجبتم لي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ مَا أَنَا ب ِ م ُ ص ْ ر ِ خ ِ ك ُ م ْ وَمَا أ َ ن ت ُ م ب ِ م ُ ص ْ ر ِ خ ِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَخْتُمُونِ م ِ ن قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah d e k หลังจากที่มีบทสนทนาระหว่างหัวหน้าแกนนํากับบรรดาลูกน้องแล้วเนี่ยเอลล์ก็จะกล่าวถึงหัวหน้าใหญ่สุดหัวหน้าใหญ่สุดที่ทุกความชั่วทุกการฝ่าฝืนเนี่ยกลับไปที่เขาก็คือชัยปอลหรืออิบลิสเอลล์สุบฮานุคือคือฉายภาพทั้งหมดเนี่ยอันคุรานเนี่ยบอกกับพี่น้องว่าจุดเด่นของคุรานคือบอกเราทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ต้นอันนี้คือสุดท้ายนะฮะที่อิบลิสกล่าว สุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาได้ได้ให้ให้เราทราบถึงเหตุการณ์อุฮูดูคือความได้เปรียบของมุสลิมที่ศึกษาคุรานเนี่ยถ้าย้อนไปในสุรอสุรออัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาก็กล่าวกล่าวจุดเริ่มต้นของปัญหาในโลกนี้มันเกิดยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยคื อ, ทอบททดสอบเทลล์เนี่ยให้อิบลีสเนี่ยซอยู่ตอนบีอาดัมว um um, um ่าเราก็จคอยละกนากุมซุ่มมาซาวาร์นักุมซุ่มมากุณนะลินมาลาอิกาติสจูดุลีอาดัม อลัลลอฮ์สร้างใช่ไหมฮะสร้างพวกเจ้าและให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างแล้วก็กล่าวแก่บรรดามาเกะาวว่าอุสยูดูเลียดัมจงสู้ต่ออาดัมฟาเซจะดูอิลลอิบลิสละมีกุมมินัสซาจินสู้ทั้งหมดนอกจากอิบลิสที่ไม่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สู้อยู่แล้ลัลลอฮ์ก็ถามด้วยความที่อิสระเนี่ยอิสลามเนี่ยให้อิสระอย่างแท้จริงก็ละม่ามานาอักะอิบลิสอะไรห้ามเจ้ามานาอักก์คือห้าม อัลลาฮ์ทัสยุดาอิดอัมรตุกที่ไม่ให้เจ้าสยูญุเมื่อค่าสั่งใช้เขารอสุบฮานอวตาเห็นคนที่ฝ่าฝืนสามารถจะลงโทษได้ใช่ไหมฮะแต่เราประวิงเวลาหรือว่ า, Allah, าอัลลอฮ์ถามนี่คือเขาเรียกว่าเสรีภาพที่มีอยู่ในอิสลามอย่า ง, างเต็มที่อัลลอไม่ได้ลงโทษเลยเราถามดูนะอะไรห้ามเจ้าไม่ให้สยูญุเมื่อค่าใช้อาดัมไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเราทราบที่มาที่ไปของเรื่อง ที่มาที่ไปเนี่ยก็เกิ ด, กดจากอะไรครับเกิดจากการตะคับบดเนี่ยแหละครนี่เป็นเป็นประเด็นที่สําคัญมากอะไรห้ามเจ้าไม่ให้สู่ต่ออาดัมเมื่อข่าสั่งอิสอมัมรตุกนี่คือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเมื่อข่าสั่งใช้เพราะอีวาิสเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอาดัมเนี่ยคือตัวปัญหาแต่ประเด็นคือคําบัญชาของอระเจหาซุบฮะนูฮวาตัลข่าสั่งใช้ประเด็นเนี่ยไม่ในวอาญาณไม่เกี่ยว บรรดนานบีและเราซูนต่างๆที่ถูกอิจฉาถูกไม่ยอมรับจากกลุ่มชนของท่านเนี่ยนบีและเราซุนและเหล่านั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องจอากอัลลอฮ์เป็นผู้แต่งตั้งอลัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกียรติแต่คนที่มีปัญหากับนบีและราซุนรวมถึงบรรดาคนดีทั้งหลายเนี่ยปัญหากับใครครับยิงและมีปัญหากับทั้งผู้เป็นเจ้าคือไม่ยอม ไม่ยอมปฏิบัติน้อมปฏิบัติตามคำสั่งของรานั้นเนี่ยการตะกับบดเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ือการอิจฉาริษยานะฮะเราถามว่าอะไรคือเป็นปัจจัยห้ามเจ้าไม่ให้สุยุตเมื่อข้าสัง่งใช้อันนี้ที่มาเนี่ยผมเล่าเล็กน้อยนะก็และอนคอยรุมมินหุอิบลิสก็ตอบว่าข้าเนี่ยดีกว่าเขาอันนี้ใช้คำว่าเป็นสโลแกนของ อ, อ, อบลสหรือว่าเชยตอนข้าดีกว่าเขา อันนี้ก็เป็นหหยาณะที่เอเกิดขึ้นกับอิบลีสเนี่ยอนาคอยรุมมินหุแล้วก็บอกเขาบอกพูดถูกต้องคอลักตะนีมินนัสว่าคอลักตะหุมินตินพระองค์สร้างชั้นมาจากไฟสร้างเขามาจากดินถูกไหมฮะเนี่ยที่บอกว่าอักีด้าอักีดาก้าถูกต้องแต่มันไม่ได้มีส่งสงมผลต่อพฤติกรรมถูกไหมฮะอักกีด้าถูกต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาจากไฟถูกไหมฮะมบรรลุหลายคนเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องนี้ถูกไหมฮะอักีด้าไม่ถูก แต่อิบลาฮรู้แต่มันมีปัญหาไหมครับเป็นชาวตะลุกเป็นแกนนามีปัญหาเนื่องจากอะไรฮะเบว่าอัคคีด้าไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเนะี่ยมันก็เลยไม่ไม่ยังประโยชน์เ mm hmm. ชฮะอันเราคอยรู้ไมหมลูคลาลักตานีมินนะั้นนี่คือศรัทธาต่อเราไหมครับศรัทธาและรู้ด้วยว่าเราสร้างอิบลาฮิมมาจากไฟสร้างตัวเองมาจากไฟว่าคลาลัคตะฮูมินตีนสร้างเขามาจากดินไม่ได้ปฏิเสธการสร้างของเราเลยนะฮรแต่เขาอะไรฮรอัคคีด้าถูกต้องอัลกัลกซีฟาตุนขัล เชียววะแล้วเป็นผู้สร้างอัลลอฮสซุบฮาบะฮนวาแต่ละเนไม่ยอมรับเหตุผลอะนาคอยลุมขาักนีมินวะขารถมินตินกาลักรุจมินหาจงออกไปจากสวรรค์ฟามยาูนลกะอันตะตะกับบรฟีหมันไม่บังควรที่เจ้าเนี่ยจะตะตะกับบรฟีหะตะกบบในนี้อุลามะก็จึงบอกนี่เป็นหลักฐานที่บอกว่า ในสวรรค์เนี่ยจะไม่มีการตะกับบรท่านบีบอกฮะดิษบทึงนะฮะไลยดูคูลุลเันนะไม่ได้เข้าสวรรใครมันก้าน่ะฟีกลบิฮิมิสกาลูดะโรตินมินกิบรคนที่ในใจมีตะกับบรแม้เพียงเล็กน้อยแสดงว่านี่เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญอัลล์บอกว่าที่อยู่ในสวรรค์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเจ้าอะไรฮะไม่ได้เพราะเจ้าไม่ศรัทธาต่อ คือเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์คือเขารู้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ประเด็นก็คือปัญหาใหญ่เนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะปัญหาใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพูดถึงกันเยอะนั่คือการตะกบบดการตะกบบดหรือว่าส่วนหนึ่งจากการอิจฉาริษยาและการไม่พอใจในกําหนดของอัลลอฮ์นี่ต่างหากที่เป็นปัญหานี่ตัาหากที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราสังเกตดูผมดูแล้วจริงฮะบางทีไม่ต้องใครเองบางทีเราเองอาจจะมีส่วนด้วยมัน คนนี้ได้ดีคนนั้นอะไรนั่นกว่าหน้าที่ของเราคือพอใจใครใครเป็นคนกําหนดความดีต่างๆที่ประสบกับคนเนี้ยบางทีสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาเนี่ยดีใจดีใจทําไมฮะเราต้องไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอใจให้ความชั่วมาประสบกับใครหรือให้ใครทําความชั่วนะฮะเลาจะบอกไม่บังควรที่เจ้าเนี่ยจะอยู่ในนี้แล้ในนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือการตะกลับวสออกจากสวรรค์ใช่ไหมฮะดูจุดจบนี่ แล้วพูดชัดเจนเนี่ยบรรดาผู้อ่อนแอเนี่ยก็จะกล่าวจากคนที่ตะกับบดจุดจบก็ยนี่คือในนรกนาอูซุบิลลาฮิมิน น, นะใช่ไหมฮะชัดเจนที่อัลลสุบหฮฺอัฮวาาได้บอกวก้ละเยตอนและนี่ก็เป็นจุดจบหรือว่าสุดท้ายของชัยฝนก่อนก่อ น, อนที่จะมีปัญหานเบียดัมก่อนจะรู้เรื่องด้วยซ้ำนะฮะจงอยู่ต่ออาดัมนเบียดัมไม่ได้บอกว่าอิบลสชูต่อขา อิทธิอำนาจทุกคือข่าสัง่งใช้คือลอสุบฮานอหัวตาสั่งใช้ผมบอกอีกนิดหนึ่งว่าอีวลิสเนี่ยเขามีหลักเขามีอกีนะเกี่ยวกับเอการฟื้นคืนชีพเหมือนกันไม่ใช่ศรัทธาต่อเอไม่ใช่เชื่อว่าลอสุบฮานอหัวตาไม่ได้เรียกว่าศรัทธาเลยกันเพราะศรัทธามันต้องนําสู่การปฏิบัติถู่ไหมฮะก็ลก็ล้วเรบีอันซิรนีอีลาเยอมิยูปอาซูลกอดเก่าต่อไปอดรอดได้โปรดประวิงเวลาชั้นจนกระทั่งถึงวันเลยฮะวั <c oughs> นแห่งการฟืน้นคืนชีพอ้าว อันนี้ก็เชื่อเหมือนกันเชื่อวันกียรมั้งเหมือนกันบางทีมันก็มันก็เรื่องเป็นเป็นเรื่องที่แปลกอีล่าย่อมียุบอาทูนจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพก็อะอินนาเกมินันมุนโซนิแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการประีงเวลาแสดงว่ามันไม่เสมอไปฮะที่มันต้องมันสําคัญคือประับปดนะฮะสองก็คือต้องส่งผลต่อการปฏิบัติน้อมเอาคําบัญชาของรับสุภานุโหลามาปฏิบัติในชีวิตของเราประเด็นเนี่ยบางครั้งนะฮะ ไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของ Allah แต่บางครั้งประเด็นอยู่ที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของล l l a h ด้วยการให้ทําความดีกับคนอื่นที่ล l l a h สั่งใช้บางทีมันเป็นปัญหานี้นะฮะหรือมันอาจจะเป็นปัญหาที่บ่อยๆเนี่ยโ okay, อเค Allah ให้เร า, าละหมาด ท, ทาความดีต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านแต่บางอย่างที่ Allah ให้ทาความดีกับอะไรบางอย่างให้สลามใครให้อะไรใครแบบเนี้ยฮะหมายถึงว่าทําความดีกับคนเพื่อล l l a h อันเนี้ย เป็นส่วนที่บางครั้งสอบไม่ผ่านกันมากนะครับนี่ก็เช่นการิบเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรฮะอิบาดาต่อล้อ์มาพร้อมกับบรรดาไมเาลกาในมากมายแต่ที่เขาไม่ผ่านก็คืออะไรฮะเมื่อต้องทำความดีกับคนอิสอมรตุก hmm. เนี่ยจงสืบอยู่ต่ออาดัมนี่เป็นเป็นประเด็นที่เราก็น่าจะได้รับบทเรียนนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะฮะของเรื่องทั้งหมดและเรื่องทั้งหมดมันก็อยู่บนเรื่องนี้ฮะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดมันแบบนี้เรื่องทั้งหมดของโลกนี้ความเป็นไปมันแบบนี้ในบีและราซุ่แต่และท่านมาเนี่ยพวกนี้ก็จะตกกะกบมันมีแบบเนี้ยตัวละครที่มันชัดเจนนะฮะและเรื่องตอนจบเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้มากล่าวเอาไว้และอิบลิสจะขา่าวยังไงแล้วจะผมจะตั้งคําถามกลับไปว่าอาลัลลอฮ์ได้นําเอาคํากล่าวของชัยตอนมากล่าวในโลกนี้เราเชื่อไหมว่าชัยตอนเนี่ยจะกล่าวจริงเชื่อไหมว่าคํากล่าวนี้เนี่ยเป็นคํากล่าวที่จะเกิดขึ้นจริง คนที่เชื่อเนี่ยสแสดงว่าเชื่อ Allah, อลัลลอฮ์เพราะเรายังไม่ได้ยินชัยตอนกล่าวใช่ไหมครัส่วนคนที่ไม่เชื่อแต่จะไปเชื่อในโลกหน้าไหมครัในโลกหน้าเนี่ยจะไปเชื่อเชื่อใครครับพอพระราชาตอนบอกคือเราบอกตอนนี้ยังไม่เชื่อใช่ไหมครัแต่พอไปในโลกหน้าเขาก็จะเชื่ออย่างแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นจริงแล้วสแสดงว่าเขาก็จะเชื่อชัยตอนทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้า ถือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะหลักหัวก็อและเชยตอนเชยตอนจะกล่าวแถลงการณ์ก็ได้นะฮะแล้วมากล่าวตอนไหนล้วมากู้เดียอัมรุเมื่อถูกตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วทั้งหมดกูเดียแปลว่าถูกตัดสินอัลอัมรุเรื่องประเด็นในที่ผมพูดคเรื่องทั้งหมดทั้งหมดเรื่องเนี่ยทุกเรื่องถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วเรื่องปัญหามันคืออะไรฮะ เราทราบที่มาอ๋อก่อนที่นาบีอาดัมจะมาลงมาอยู่บนโลกนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเรื่องรล่านั้นเนี่ยกู้ทียันอัลเรียบร้อยถูกตัดสินแล้วก็อินัลลอฮัสซารีอันไฮซับอัลลอฮ์ตัดสินอย่างรวดเร็วเมื่อตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยชัยอนก็จะกล่าวอินนัลลอฮะกล่าวว่าแท้จริงอัลลอ์เนี่ยว่าดกลุมสัญญากับพวกเจ้าวาดฮักติสัญญาที่เป็นจริงเราเชื่ออัลลอฮ์นี่อัลลอ์บอกใช่หมครับ่ชัยอนจะกล่าวเราเชื่ออัลลอ์เนี่ยพูดจริง ว่าชายตอนจะกล่าวแบบนี้จริงในวันเกียร์มัเราเชื่อตั้งแต่ตอนนี้วาวัตตุกุมส่วนข้าสัญญากับพวกเจ้าฟักลัฟตุกุมแล้วข้าก็ทรยศบิดพิลหลอกลวงพวกเจ้าอัคลัฟตุกุมอันนี้ก็คือคํากล่าวที่ชัดเจนที่อัลลอฮฺได้นํามาบอกกับพวกเรานะครับหัวมาก้านะลี้อะัยลกลุ่มมินสุนตอนโดยฉันหรือข้าเนี่ยไม่มี อำนาจสุ่นตอนใดๆอะไรกลุ่มมินสุ่นตอนเนี่ยที่ผมบอกามินลิตตะไรต์แปลว่าส่วนหนึ่งส่วนใดจากอำนาจคือไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้าอิละนอกจากแสงซมชัยตอนไม่มีอำนาจเหนือนะฮะแล้วก็แผนการของชัยตอนเนี่ยเป็นแผนการที่อ่อนแออินกาไรด์ชัยตอนในการอัลลอฮิฟาบางที่เราเห็นอะไรบางอย่างที่มัน ดูเป็นแผนการของชายตอนที่มันหลอกลวงอะไรต่างๆเราอาจจะดูว่ามันแผนการยิ่งใหญ่แต่เราบอกแผนการของชายตอนเนี่ยอ่อนแอแล้วก็อำนาจของชายตอนเนี่ยไม่มีเนี่ยเรายืนยันนะครับฉันไม่มีอำนาจใดๆและนอกจากที่จะมีนะฮะอันเดาตุกุมฉันเรียกร้องพวกท่านเท่านั้นเองดาตุกุมฟัสตายาเบตุมลีแล้วพวกเจ้าเนี่ยก็ตอบรับการเรียกร้องของฉันที่ฉันมีสิทธิก็คือ เรียกร้องเชิญชวนพวกเจ้าเนี่ยแต่พวกเจ้าก็ตอบรับการเชิญชวนของฉันฟะลาตาลูมูนีดังนั้นจงอย่าตาหนิฉันพวกท่านอย่าตำหนิฉันวัลูมูออาฟุตสะกุมแต่จงตาหนิตัวของพวกท่านเองซึ่งจริงๆแล้วในการตำหนิตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในดุญนยาแต่บางอย่างเนี่ยในในโลกหน้าเนี่ยมันมันไม่ทันเวลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจา ก, กมา้กมาคือการ ทำสิ่งใดเนี่ยถูกเหมาะสมตามเเวลาและก็โอกาสใช่ไหมฮะเวลาและสถานที่และโอกาสการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยดีแน่นอนนะฮะจำเป็นต้องศรัทธาแต่ไปศรัทธาต่อวันที่การศรัทธาจะไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่า ม, มันมันไม่ทันแหะเช่นการการตําหนิตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ได้แบ่งในอันกรุณาทิวโรมาบอกนะฮะชีวิตหรือ จ, จิตใจตัวของคนเนี่ยมีสามอย่างสามระดับหนึ่งก็คือ อินนันนัฟสะและอัมมาโรตุนบิสุจิตใจที่สั่งใช้ให้ทําความผิดทําความชั่วอย่างมากมายและอัมมาโรตุนที่ในบีสุปบอกปกติจิตใจคนเนี่ยชอบเชิญชวนไปสู่ความชั่วตัณหาราคะต่างๆนิดหนึ่งนะฮะนี่จิตใจที่แย่ที่สุดจิตใจระดับที่สองก็คืออฟะวะอุกซิมูบินนัฟซินลาวะมะจิตใจที่ตําหนิตนเองอยู่สม่ําเสมออันนี้คือกลาง หมายถึงเวลาทำความผิดอั น, นดีๆนะฮะในหมดที่ดีเวลาทำความผิดเนี่ยก็จะตำหนิไม่น่าทำเลยเวลาผิดพละอะไรไปเนี่ยไม่น่าเลยนี่แหละครับเป็นจิตใจที่ดีเขาเรียกว่าอันนับซุอัลลาห์มาจิตใจที่ตำหนิแต่ต้องตำหนิในโลกนี้ก่อนที่จะไปถึงโลกหน้าสองนะฮะสามอันนับซุลมุตมอินนะจิตใจที่สงบนิ่งอันนี้คือระดับที่สูงที่สุด จิตใจอุลมะเขาขัดแย้งกันว่าเออมันมันจิตใจของคนเนี่ยมันต้องอยู่หมวดหนึ่งหมวดใดเลยหรือว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ไปอย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเออบางทีถ้าอยู่ในหมวด น, นี้แล้วก็อยู่หมวด น, นั้นไปเลยถ้าอยู่ในระดับที่ทําแต่ความชั่วเป็นอาจินเลยนะฮะก็อยู่ในระดับที่อันนับอัมมาระตุมบิซูสั่งใช้ให้ทําความชั่วทําแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วซามทั้งหลายหรือบางคนก็เออทําผิดทุกครั้งก็าสํานึกผิดหรือบางทีทําความดีที่ยังไม่ดี ก็สำนึกผิดหรือตําหนิตัวเองเสมอในจิตใจระดับสูงสุดก็คือมีความสงบนิ่งในทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าสามจิตใจนี้เนี่ยบางทีมันอยู่ที่ตัวคนเราเลยแหละคนเดียวในขณะเดียวในบางครั้งบางครั้งก็อเชิญชวนทําความชั่วบางครั้งก็อะตําหนิตัวเองบ้างบางครั้งก็มีความส ง, สงบสงบจิตสงบใจมีความนิ่งซึ่งระดับที่สูงที่สุดเนี้ก็คือระดับที่มีความสง บ, สงบจิตสงบใจ และการสงบจิตสงบใจดีที่สุดก็คือการนำลึกถึง Allah Al Binti Kri Lahe Taba'inul Qulu เพราะการนำลึกถึง Allah เท่านั้นทำให้จิตใจเนี่ยมีความสงบอย่างแท้จริงนะครับ Faratanu m u n i ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ตำหนิฉันแต่จงตำหนิตัวของพวกท่านเอง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> Ma Anabi Musri Kigum เพราะฉันเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถบินมุสริคแปรว่า s u ร a นี่แปลว่าตะโกนมุสริคแปลว่า มูกิชช่วยเหลือเพราะฉันไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรพวกท่านได้คือตำแหนิงฉันแล้วไงต่อฮะตำแหน่งชัยตอนวัวมาอันตุมบิมุสเรคีและพวกท่านเองก็เชน่นกันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือฉันได้คือต่างคนต่างต้องช่วยเหลือตัวเองอินนีแท้จริงค่ะกัฟรุตุอันนี้คือเป็นประโยคที่เจ็บที่สุดนะฮะอินนีกัฟรุตุแท้จริง ฉันขอปฏิเสธกับฟรัสนี่คือกูฟรนะฮะขอปฏิเสธปฏิเสธอะไรครับบีมาอัชรคตุมูนิมินกับลต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยตั้งฉันเป็นภาคีอะไรก็ตามที่เชื่อฟังฉันเนี่ยวันนี้ฉันขอปฏิเสธเหมือนกับที่นอุลามะเาเขาบอกในอายะเอ่ออายะหนึ่งในสุระอะไรเอ่ยถ้าผมจะไม่ผิดเป็นสุระอัลฮัจนะฮะกมสลิชชัยตอนเหมือนกับชัยตอน อิสกคละลิลอินซาเนิฟุรเมื่อเขากล่าวกับมนุษย์คนหนึ่งคนปฏิเสธนะอุลุมะเขาบอกชัยตอนจะให้มนุษย์ทําความผิดแบบคู่ตัววัดค่อยเป็นค่อยไปเค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจึงเป็นความผิดที่อันตรายหรือว่าต้องระวังเพราะชัยตอนจะไม่ให้คนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธทันทีทันใดแต่จะให้ค่อยๆปฏิเสธกำมาสลิชชัยตอนเหมือนก็บชัยตอนอิสโคละลินอินซาน็ฟุรเมื่อเขากล่าวกับคน มนุษย์ที่ปฏิเสธเน่ยจงปฏิเสธฟะลัมมากะฟะรอเมื่อเขาปฏิเสธแล้วก็ละอินนีบริอุมมินกะชายตอนก็นจะกล่าวว่าฉันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับท่านนะที่ทําปฏิเสธต่อเลาะไปเ น, น, นี่ยอินเนาะคอฟุลลอห์รับบนอาลามีฉันจะกลัวล l l a h พระเจ้าแห่งสากลโลกดูสิฮะสุดท้ายแล้วในเรื่องคือคนต้องกลัวล้อหมดคือจะตอนต้นตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยคือ ไม่มีใครที่จะหลีกการ อ, อ, อ, อำนาจดิดหลีกออกห่างจากเดชานุภาพขอรัศกหานหัวราได้อายะข้างต้นเนี่ยที่ชอยปอนให้เป็นคู่ตัววหรือให้ปฏิบัติความชั่วเป็นลำดับขั้นตอนจนกระทั่งถึงการตั้งภาธีหรือการปฏิเสธ ต, ต่อร้อนะอุลมะเขายกฮานิสบทหนึ่งที่ท่านอิบนอับบาสได้รายงานถึงคนคนสมัยก่อนอาจจะเป็นจากพวกอิสราเอลียัสนะครับ นั่นคือมีชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในฮะดีษนะฮะชายคนหนึ่งที่เอเป็นคนครึ่งครัดในศาสนาคนที่แบบว่าไม่ข้องเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทําสินาอะไรเนี่ยสิ้นเชิงเลยนะฮะอย่าว่าแต่สินาแม้แต่การมองการอะไรนะฮะแล้วปรากฏว่าเฉยปอนเนี่ยก็จะมากระซิบกระซาบให้ทําความผิดให้ทําความชั่วเนี่ยเสมอแต่เขาเนี่ยก็ดํารงตนอยู่ในศาสนาของหร ปรากฏว่ามีชายสองคนซึ่งเขาจะออกไปต่อสู้ในหนทางของเหรอแล้วก็เขามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งจะออกไปแล้วเนี่ยทําำยาังไงครับก็เลยต้องหาคนมาดูแลจะฝากใครไว้ครับก็ไม่เจอใครนอกจากชายคนที่เคร่งพัดคนนี้ก็เลยฝากน้องสาวเนี่ยไว้กับชา ย, ชายคนนี้บอกไม่เอาชายฉันมาดูแลผู้หญิงได้ไงอ่าไม่เป็นไรนะเอานิดหน่อย พื้นท่านเอาแค่อาหารไปให้อย่างเดียวดูแลห่างๆไม่ต้องยุง่งไม่ต้องคุยไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นเลยฉันออกไปแล้วกลับมาเนี่ยก็เ อ, อก็เรียบร้อยใช่ไหมฮะปรากฏว่าตอนแรกปฏิเสธตอนหลังก็รับพอรับเสร็จเ่ยๆตอนก็เริ่มมาเริ่มมาก็ซิกโก้ทราบไปทําความผิดนะตอนแรกๆเอาอาหารไปให้นี่คือเป็ น, เ ป, นเป็นบ้านใช่ไหมฮะเอาอาหารไปให้ตั้งหน้าบ้านแล้วก็รีบไปเลยคือกลัวว่าจะเห็นผู้หญิงคนนี้ ชตอนก็มากระซิบก ร, ราบบอกไม่เป็นไรหรอกหนะแมท่านลอให้เขาเอามามารับอาหารก่อนดีกว่านี่เป็นคู่ตัวว่ทุชัยตอนเกี่ยวกวับความช่วยในเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะหมดนี้นะแต่นี่เป็นตัวอย่างจะไปถึงจุดปฏิเสธศรัทธาต่อรัศมีพหานุแต่แน่นอนคนไม่เคยทําความผิดใหญ่เลยอย่างเงี้ยไม่เคยเทําซินาเลยคนไม่เคยดื่มเหล้าเลยเนี่ยชตอนจะไม่มาบอกว่าทําซินาแล้วก็ดื่มสุราหรือว่าฆ่าคนไม่บอก แต่เขาจะบอกให้ทําความผิดเล็กน้อยและนี่คือความจําเป็นที่จะต้องทุกความผิดที่เรากระทารีบตวัดตัวและถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และอยากปฏิบัตินิดหน่อยเนี่ยตรงนิดหน่อยเนี่ยแหละครับมันจะก้าวเพราะชัยตอนจะไม่พอใจที่จะให้เราทําแค่ความผิดอย่างเดียวแต่เขาจะพอใจให้เราปฏิเสธและไม่พอใจเฉพาะปฏิเสธนะจะให้เสียชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาดังเรื่องนี้ต่อไปนี้นะเขาบอกไม่เอาชัยคนนี้ชัยตอนมากซิบบอกไม่เอาไ ม, ไม่ไม่รับไม่มองหน้าผู้หญิง อนิดหน่อยใช่ตอนมากระซิบกระซาบให้ท่านเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมารับเอาอาหารไปแล้วอ่ะปฏิบัติตามขั้นแรกนะฮะรอดูพอมาเหตนปุ๊บผู้หญิงออกมารับอาหารารีบไปครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรครั้งหลังก็รอดลวงต่อแลอดลวงต่ อ, อ, อถามสักหน่อยสิเป็นยังไงบ้างเนี่ยแหละมันเป็นคู่ตัววัดเป็นขั้นตอนหนึ่งก็คือมองสองคืออะไรครับสองคือพูดถามสักหน่อยหนึ่ง ว่าเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นยังไงหรือถามว่าอาหารถามอาหารก่อนอาหารเป็นยังไงบ้างอะก็เริ่มพูดคุยเริ่มถามว่าไงอาหารกินได้ไหมอะไรไหมอพอต่อมาขั้นต่อไปคืออะไรครับไม่เพียงแค่อาหารแล้วฮะต่อไปเป็นอคุยคุยเสร็จแล้วไม่ถามสารทุกสุกดิบเรื่องอื่นๆบ้างเขาก็เริ่มถามเริ่มถามเสร็จก็ขั้นต่อมาอะไรฮะเอาอาหารในแทนที่เอามาให้หน้าบ้านเอาเข้าไปในข้างในบ้านสิโอ้โห ใจร้ายกับผู้หญิงใช่ไหมครัเอาเข้าไปให้งข้างในบ้านอะนั่งคุยสักหน่อยอีกเป็นขั้นตอนทุกครั้งก็คือเขาจะปฏิเสธตลอดนะฮะแต่สุดท้ายเ น, นี่ยก็ไหลไปไหลไปจนกระทั่งเด็กบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําความผิดทําซีนาและผู้หญิงตั้งครันตั้งครันเสร็จทำไมครับอเป็นเรื่องใหญ่เลยสิฮะยังไม่หันกลับมาตาบัตรตัวต่อรัศมีอุบาหนวมตละพอตั้งครันแล้วก็เออมันเรื่องมันต้องมันอ้องอือฉาวแน่นอน ก็เลยมากระซิบกระซาบต่อว่าให้สังหารหรือว่าฆ่าผู้หญิงคนนี้เสียผู้หญิงคนนี้นก็ถูกสังหารแล้วก็ถูกฝังเอาไว้อชัยตอนเอคือจนกระทั่งถึงจบได้ยังครับยังไม่จบพี่ชายของเขาเนี่ยกลับมาจากเยฮัดแล้วกลับมาแล้วก็ถามเออเป็นยังไงบ้างน้องสาวของฉันชัยตอนก็มาบอกว่าบอกไปไง่ายๆว่าอย่างนี้ฮะไม่สบายเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วจบเขาว่าบอกแบบนี้ไปว่าไม่สบายเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้ว ชัยตอนเนี่ยก็เอาไปกระซิบกระซาบต่อตอนนอนฝันให้สองคนนี้เนี่ยได้ฝันว่าน้องสาวเนี่ยก็ได้ถูกชายคนนี้เนี่ยได้ทำอะไรไม่ดีแล้วก็ตั้งทันแล้วก็บอกตำแหน่งที่ลุมฟังศพอยู่ตรงไหนเขาก็เลยไปขุดมาไปเจอปรากฏว่าเป็นความจริงว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกสังหารจากชายคนนี้แล้วก็มีคดีความอะไรต่างๆใช่ฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของชายคนนี้ก็ถูกนาขึ้นไปถูกพิพากษา แล้วก็ถูกตัดสินให้อะไรครับให้ประหารชีวิตตอนปหาชีวิตเนี่ยชัยตอนหยุดเรื่องครับยังไม่หยุด <c oughs> ก็เลยมา <c oughs> มาบอกว่าอะไรฮะ <c oughs> บอกว่าฉันเนี่ยอะเป็นคนที่ทำให้ท่านเนี่ยตกอยู่ในสภาพนี้อยากจะรอดไหมอยากจะรอดไหมฮะอยากจะรอดทำยังไงล่ะชัยตอนก็บอกว่าทำอย่างเดียวแต่ถูกประหารแล้วนะทำอย่างเดียวสุยูด ต, ต่อฉันสุยูด ต, ต่อฉัน าระปชัยคนนี้เนี่ยเขาปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเน่ยสุดท้ายก็สูยุดแล้วก็เสียชีวิตอุลมะเขาบอกผมฟังบรรยายของเชคอาริที่ครับเมื่อชัยตอนเห็นชายคนนี้สูยุดแล้วเนี่ยสูย่ตอนชัยตอนเนรีบหนีคือกลัวอินนีบริอุมมินกัชฉันไม่เกี่ยวนะอินนีอัลคอฟุลลาฉันกลัวหละอัลลอฮฺและนี่ก็คือขั้นตอนของชัยตอนที่เขาทุกการปฏิเสธเนี่ย ชัยตอนจะปฏิเสธทุกการตั้งภาธีต่อหรสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายของเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยทุกคนตั้งพาธีชัยตอนก็ไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนะคุณทําเองนะและในวันเกียรติมันก็จะมายืนยันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอินนีกาฟรุตูบีมาอัชรกตูมูนีมินกอบฉันขอปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าพวกท่านเนี่ยได้ตั้งภาธีก่อนหน้านี้ เราก็บอกอินน um ัซลอริมีนละหุมอาซาบุนอาลีมแท้จริงบรรดาผู้ที่อะไรฮะบรรดาผู้อาธรรมอาธรรมในที่นี้คืออะไรฮะโดยเฉพาะอาธรรมที่เป็นการตั้งภาคีต่อเราเพราะท่านลูมานอัลฮะกีมได้บอกว่าอินนัชิรกะละรุนมุนอื่นสิอชิร์กตรงนี้นะชิร์ก็คือการอธรรมอันยิ่งใหญ่แสดงว่าบรรดาผู้ที่อาธรรมทั้งหลายตรงนี้ก็คือบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีรรา ต, คาต่อเรา ตั้งบาคีต่อแล้วหรือว่าปฏิบัติตามผู้อื่นนอกจากเราก็คือชัยตอนเนี่ยละหุมอาซาบุลอาลีมย่อมได้รับการลงโทษอาซาบุนอาลีมอย่างรุนแรงอันนี้คือบรรนปลายที่ลอสุบฮานหัวตะได้กล่าวเอาไว้นะครับสองบุคคลสองกลุ่มคนในหมู่ผู้ผปฏิเสธศรัทธาแกนนําโดยมีชัยตอนเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วก็บรรดาผู้อ่อนแอผู้ปฏิบัติตามซึ่งเป็นคนส่วนมากปฏิบัติตามแกนนําที่ไม่ดีทั้งหลาย ดังนั้นเนี่ยบท ส, สรุปตรงนี้นะฮะการหลอกลวงในโลกนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานอฺหัวตาบอกไว้ในตอนท้ายของสุรา่าสุร่าลุกมานที่เร y ah y uh as, ียกไอยุฮันนัสฟะลาตักุรรันคุมุลฮัยาตุ ด, ดุนยาดังนั้นพวกท่านเนี่ยอย่าให้โลกนี้ดุนยาอัลฮัยาตุ ด, ดุนยาเนี่ยมาหลอกลวงพวกท่าน เวลาอย่ารุนระกุมบิลล่าฮิลกอรุตและอย่าให้จอมหลอกลวงอันกอรุตก็คือชัยตอนอุละมะฮะอธิบายอันกอรุตนี่คือชัยตอนคือจอมหลอกลวงมาหลอกลวงพวกเจ้าจากอัลลอฮ์บิลลาฮิลกอรุตแสดงว่าที่เราต้องระวังเนี่ยสองส่วนคือชีวิตในดุ n y าเนี่ยจะหลอกลวงพวกเราและส่วนที่2ก็คือจอมหลอกลวงคือชัยตอนเนี่ยจะหลอกให้พวกเราเนี่ยออกห่างจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวจัด ดังนั้นสาหรับบรรผู้ศรัทธาเนี่ยชีวิตในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะเราสามารถใช้ประโยชน์จากการดําเนินชีวิตหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ดีเนี่ยความดีงามต่างๆสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้แต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลอกลวงพวกเราให้หลงหรือให้มันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นความจริง ไม่มีสิ่งใดเป็นเป้าหมายในดุนยาเนี่ยไม่มีเป้าหมายไงฮะดังนั้นถ้าให้เราให้ดุนยาเป็นเป้าหมายมันผิดผิดธรรมชาติหรือผิดความเป็นจอิสลรมไม่ได้สอนแบบนี้ดังนั้นคนที่ให้ดุนยาเป็นเป้าหมายเขากำลังทาทำผิดธรรมชาติเพราะดุนยาเป็นเป้าหมายของชีวิตใครบ้างไหมฮะดูข่าวของสลามยามเย็นมาออกครั้งหนึ่งบังอับดูลเอาเอาอะไรฮะเอาคน ในอายุ145ปีเป็นคนอินโดเขาบอกว่าเตรียมตัวตายมาประมาณ20กว่าปีแล้วลเตรียมตัวตายมาคืออยากจะตายคือย145ปีอยู่ยังไงฮะแล้วก็ดูวันนาจารย์ดูโรให้ประโยชน์ได้ออกเลยกันผมก็โอ้โหถ้าคนไม่มีพระเจ้าเนี่ยโอ้โหชีวิตแล้วลองคิดดูแล้วถ้าเราเป็นเรามันจะยังไงเนี่ยเอาเอาไม่ให้อายุ145ปีเขาบอกว่ารุ่นลูกเขาเนี่ยตายไปหมดแล้วภรรยาไม่ต้องพูดถึงมีภรรยาหลายคน คือเสียชีวิตไปหมดแล้วรุลูกเขาก็เสียชีวิตไปแล้วร้อยสิห้าจะไม่เสียชีวิตได้ไงฮะแต่เขาอยู่ยังไงเลิกอยู่อยู่เพื่ออะไรแสดงว่าชีวิตในดุนยานี่คือมันมันไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆว่ามันเป็นสถานที่ที่แม้สมมุติจะอยู่ยาวขนาดนี้นะฮะร้อยสี่สิบห้าปีเขาร่วง ว, วันหนึ่งต้องตายนะฮะแต่สมมติอยู่ยาวขนาดนี้เนี่ยช่วงท้ายๆหรือช่วงที่มันแย่มากแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ แต่เั้จแสดงว่าดุลยานี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะอยากจากไปหรือไม่อยากจากไปก็ตามใช่ไหมฮะดุลยานี้เราก็จะไม่อยู่กับมันไปตลอดกันหรือสมมุติว่าจะอยู่เนี่ยเราเองก็จะไม่อยากอยู่แสดง ว, ว่าชีวิตของเรามันต้องมีเป้าหมายคือในโลกหน้าใ น, ในโลกหน้าเนี่ยลอสสุบฮานุจะไม่ให้แก่นะลอ ร, รู้ว่าธรรมาชาติของมนุษย์ถ้ามีอาวุโสมากขึ้นมันก็จะเริ่มเจ็บป่วยมันก็จะเริ่มเป็นเเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมหมอไปอะไรย่างเงี้ย ในโลกหน้าเนี่ยเราไม่ให้ลให้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบสามปีเท่าเทียมกันแล้วเราก็จะให้มีความสุขแบบว่าลายบูบูนนฮะให้เวลาไม่ปรารถนาคืออย่าว่าแต่เบื่อกับความสุขนะฮะคือเพียงเพียงแค่ว่าเออเราเวลาเราเ อ, อ่อมีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันต้องมีจุดที่แบบโอ้ยรู้สึกว่ามันคือเบื่อแล้วะฮะกับความสุขนั้นน่ะ อย่างเด็กเอาคนที่เล่นเกมคนที่ทําอะไรมากๆมันต้องมีจุดนึ่นมันรู้สึกมันแค่นี้อ่ะมันเบื่อละแต่ระบอกชาวสวรรค์เนี่ยคือไม่ปรารถนาเพียงแค่จะหันหันออกจากความสุขนั้นๆเนี่ยไม่มีทางปรารถนาละยเบอกูนอันฮะให้ว่ละสแสดงว่าชีวิตถ้าคนที่เอาดุนยาเป็นเป้าหมายและให้ดุนยาหลอกลวงเนี่ยอันนี้ผิดวิสัยหรือคนที่ทิ้งดุนยาเลยเนี่ยอันนี้ก็ผิดวิสัยใช่ไหมฮะแต่มันต้องทำยังไงฮะ อัครย์ร้อนเป็นเป้าหมายและดุนยาเนี่ยเป็นทางผ่านเพราะนี่คือความจริงที่ถูกต้องทิ้งโลกหนึ่งโลกใดเนี่ยไม่ได้อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเอาแต่ดุนยาเอาแล้วลอาครย์ร้อนล่ะมันก็ผิดใช่ไหมฮะผิดธรรมชาติแล้วถ้าเอาอัครย์ร้อนไม่เอาดุนยาเอาแล้วคุณจะไปอาครย์ร้อยยังไงไม่ผ่านดุนยาดัะนั้นเนี่ยตามความจริงนี่คืออิสลามสอนคุณปฏิบัติตัวมีทัศนคติเนี่ยตามความจริงตามความจริงความจริงคืออะไรเป้าหมายของเราเนี่ยคือโลกหน้า และดุลยาก็คือทางผ่านเหมือนกับในซุรฟัติฮะเนี่ยก่อนที่เราจะทําความดีด้วยซ้ำนะฮะต้องมีเป้าหมายเพื่อมาลิกิวมิดดิทคืออญญายัดดูในซุรฟัติฮะหูสอนแบบอย่างดีมากก่อนที่เราจะอียกกะนาบูดัวอียกกะนัสตีนต่อก่อนที่จะมีภารกิจทำอิบาราตต่อเนาะซึ่งอิบาราตเนี่ยหมายถึงทุกหน่วยผมแปลหนังสือจากเชฟคุไมดีเล่มหนึ่งนะอิบาราตที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์เชฟคุไมดีพูดถึงการอิบาราตเนี่ยทุกประการ คำพูดของชายคุณอิสลามตัวเมียที่บอกว่าอิบาระคือทุกสิ่งที่ทําให้อลลอฮ์พอใจทำให้อลลอฮ์รักและพอใจนี่คืออิบาระทั้งหมดอะไรก็ตามอะไรก็ตามไม่จากัดเฉพาะเรื่องที่เป็นศาสนาที่เป็นอัตลักของศาสนาอิสลามเช่นการละหมาดถึงศีลดพอเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้นี่คือมุสลิมทําใช่ไหมฮะอ่านี้คือทราบนี่เป็นอิบาระใช่แต่สรุปแล้วทุกกิจกรรมที่ทําแล้วอลลอฮ์พอใจอะไรก็ตาม อะไรก็ตามที่ทําแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพอใจนั่นแหละครับคืออิบาะดาแต่ก่อนที่จะทําอิบะาดาอียากะนาบุญุทําเพื่อ Allah oh. อัลลอฮฺองเดียวนะฮะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะสอนเนี่ยสอนว่าเพื่ออะไรก่อนที่จะทําอะไรอันนี้สําคัญมากแล้วมันเป็นการปรับทัศนคติของเราตลอดเวลาเวลาอ่านสุรอฟัติฮานะฮะเพื่ออะไรก่อนที่จะทําอะไรไม่ใช่ทําอะไรก่อนแล้วค่อยบอเออค่อยมาหาเหตุผลทีหลังทํำไมทําเพื่ออะไร วายใช่ไหมฮะภาษารับมิมาจ่านี่มาทำทำไมและการตั้งเป้าหมายก่อนหรือตั้งจุดประสงค์ก่อนเนี่ยมันสร้างแรงผลักดันได้ดีกว่าเพื่ออะไรแล้วก็อย่างไรเนี่ยค่อยมาทีหลังลิมาซะวัไกฝัเพื่ออะไรแล้วก็อย่างไรอย่างไรก็อยกะนูดวอียกะนสตมาลิกเยวไม่ดินคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สรุปสรุปทุกอย่าง มาลิกแปลว่าผู้สสทรงศีลหมายถึงอัลลอฮ์ยอมิดดินแปลว่าวันเกียรมะสองอะกิดะหลักศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยใช่ไหมฮะถูกระบุไว้ในอายะเดียวนะก็สั้นๆศรัทธาต่อผู้สสทรงศีลในวันตอบแทนแสดงว่าศรัทธาต่อวันตอบแทนด้วยก็คืออลอสุบฮานุฮวาตาเมื่อเราก่อนที่เราจะทําอิบาดิมาอะไรเนี่ยอ๋อมีวิชัน่นหรือว่ามีวิสัยทัศน์ก่อนว่าเรามีเพื่อไปรับผลตอบแทนอันาจะซาในวันเกียรมะแล้วค่อยมาอิยากะนะบดูดวยอิยากะนสัสตัย นี่คืออันกุรานในส่วนเดียวนะฮะฟาติฮะเนี่ยสอนให้เรามีทักษะในการบริหารชีวิตทุกกิจกรรมของเราในอุลามาสรุปมาบอกว่ามันต้องมีสองอย่างทําไมแล้วก็อย่างไรทําไมแล้วก็อย่างไรเนี่ยสองคำถามนี้นะครับให้ถามไอที่จะเป็นแรงผลักดันเนี่ยคือทําไมใครมีทําไมที่ชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ อาทำไมโอเคมันสำหรับโลกหน้านี่คือเพื่อมาเลื่เกี่ยวกมิดินใช่ไหมครับแต่มันอาจจะมีเป้าหมายรองก็ได้อ่าเรียนเพื่ออะไรเอ่อทำงานเพื่ออะไรใครที่สามารถตั้งคำถามที่มันดึงดูดน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้เขาสามารถทำอย่างไรเนี่ยได้ดีเท่านั้นแต่บางทีคำถามที่ว่าทำไมเนี่ยไม่ดี มันอาจจะเป็นสายทำให้อย่างไรเนี่ยไม่ดีตามไปด้วยเรแล้วเนี่ยเอาใจใส่กับทําไมเนี่ยให้มาคำถามแรกให้มาทําไมทําำไมแล้วก็ตามมาเนี่ยอย่างไรเนี่ยค่อยตามมามันค่อยคหาวิธีการทําอย่างไรเนี่ยได้นะครับเลาสุบฮานอหัวตาลเนี่ยได้บอกอินนัสซอลิมีนี่บรรดาผู้ที่อาธรรมตั้งภาคีต่อร้อนเนี่ยจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم ت ح ي ت ُ ه م فيها سلام กลุ่มแรกจบใช่ไหมฮะฉายภาพนะฮะกลุ่มแรกที่มีสองกลุ่มย่อย กลุ่มผู้ปฏิเสธที่มีแกนนาและก็ผู้ที่อ่อนแอปฏิบัติตามมาอีกกลุ่มหนึ่งชาวข้างขวาใครครับบรรดาผู้ศรัทธาเาลาเราใช้คำว่าวัอูดเดิล่ะไม่ใช่ว่าวัดัคอรูวัดัคอร์ลลาดินไม่ใช่วัอูดเิล่ถูกทําให้เข้าดูนะฮะคำในคุรานนี่คือละเอียดแสดงว่าการบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณนําความดีเนี่ยถูกทําให้เข้าสวรรค์ ราคือที่เขาเข้าสวรรค์เนี่ยหรือบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาจะตระหนักเนี่ยเข้าสวรรค์เนื่องจากความเมตตาของลัทธิสุบภานุวัตละเนื่องจากความเมตตาของอลัทธิสุภานุวตัตัะดังนั้นเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็จึงตระหนักแต่ประกอบคุณงามความดีนะฮะว่าแม้มากแม้ว่ามาดแม้จะทําความดีเยอะขนาดไหนเนี่ยท่านนะบีสลาลาหูอะไรสไําเร็จบอกนะครับจะไม่มีใครคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยกับ การงานของตอนเองซาบาะถามว่าแล้วอันตจยาละซูลล่ะแม้แต่ท่านเองอย่างนั้นหรือนบีทาอิบะได้ไงฮะมีใครทําได้เท่านบีไหมครับไม่มีซุลลาะฮวาลลอฮิวะสัลลัมซาบาะก็เลยถามว่าไม่มีใครนบีบอกไม่มีใครทําการงานที่ดีเป็นผู้ศรัทธาต่อแล้วแล้วการงานเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้เขาเข้าสวรรค์นบีซุลลาะฮิวะสัลลัมก็บอกว่าแม้แต่ฉันเองก็ตามอิลล้ะนอกจาก อ้ายจะร่ำมดานียัลลาห์ุบรหัมมะติมินหัวฟักลที่ a ล l a h จะแผ่ความเมตตาและความโปรดปานของพระองค์มาปกคุมที่ฉันฉันจะได้เข้าสวรรค์แสดงว่าคนที่ดีน้อยกว่าท่านนาบีเนี่ยลลาวัวอะวสลัมก็แน่นอนไม่สามารถที่จะล้ำเลิกบุญคุณต่อลอสุบฮานหวัวตาลาได้อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับในตอนท้าย ของส ah ุรั์อัลฮุจรอตเเป็นอายะที่สอนให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องในขณะที่อัลลอ์ให้เราทำความดีเพื่ออัลลอ์สุบฮะหานหาวแต่ประสบความสำเร็จอัลลอ์กล่าวในโทอนท้ายของส ah ุรัตฮุยจรอต์นะครับว่าบรรดาอาหรับชนบทเนี่ยเคยมากล่าวลํำเลิกบุญคุณต่อท่านนาบีา ล, ลลัลฮุอลัยอัสลมนะว่าท่านต้องให้สกัดกับพวกเรานะ เพราะอะไรฮะเพราะพวกเราเข้าอิสลามแล้วเขาบอกว่ากุลลำทุมินูตยาเก่าว่าพวกท่านเอ่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่จงกล่าวว่าอัสลามนะพวกเราเนี่ยยอมจำนวนแล้วยังไม่ได้ศรัทธาว่าละมาเยดุคุลีอีมานูฟีกูลูบิกุมอีิมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกท่านเราได้บอกตอนท้ายเนี่ยสรุปนะครับว่าย่มุนนู่นอะไรกับอันอัสลามูพวกเขาเนี่ยลําเลิกบุญคุณต่อท่านอันอัสลามูเนื่องจากที่พวกเขาได้เข้ารับอิสลามอ่ะตรงนี้แหละครับสําคัญมาก แล้วมันเป็นอายะห์ที่มันจะปรับความคิดของเราเนี่ยว่ายิ่งเราเข้ารับอิสลามอันนี้คืออาจจะคนที่ไม่รู้จักอิสลามเลยนะฮะหรือคนที่ยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาามากเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ยิ่งทวงบุญคุณกับอัลลอ์เราบอกว่าพวกเขาล้าเลิกบุญคุณต่อท่านเนื่องจากที่พวกเขาเนี่ยเข้ารับอิสลามกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดละตะมุนูอะไลย์อิสลามักุม <c oughs> ว่าอย่าทวงบุญคุณกับฉันเนื่องจากที่พวกท่านเข้ารับอิสลามเลยห้ามทวงคุณเป็นอันขาดบาลิลละทว่าอัลลอฮ์นั้นยามุนูอะลัยกุมจะทวงบุญคุณกับพวกท่านต่างหากอันฮาดากุมลิลอีมาเนื่องจากที่พระองค์เนี่ยให้ทางนำกับพวกท่านได้มีศรัทธาได้มีอิสลามแสดงว่าคนยิ่งเข้าใกล้ชิดละการอิสลามปฏิบัติการงานที่ดีเท่าไหร่เนี่ย นั่นหมายความว่าบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาเนี่ยให้กับเราเนี่ยมากเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงบุญคุณกับอัลลอฮ์สุบฮานุฮต า, าังนั้นที่อัลลอฮ์ให้เรายิ่งเรายิ่งต้องสันนิษฐาอัลลอฮ์เนี่ยให้ให้ฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบาอกว่าเออุ ال ดีคีลลจีนาอามานุอามิลสอริฮัดมนาพุชถูกนําเข้าสวรรค์เนืน่องจากอะไรครับจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลา ดังนั้นเนี่ยราบอบลิลาฮุยมุนอะไกุมเอาลอตังหะจะทวบุญคุณกับพวกท่านเนี่ยที่พระองค์ให้ทางน้ำกับพวกท่านลิงอีมาดังนั้ น, นไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครนะฮะพอเราก่อนนี่ยุนอันกลุมเอาลอพอเพียงจากพวกท่านดังนั้ น, เ, นเรายิ่งใกล้ชิดเอาล้อมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่โอ้โหฉันเนี่ยเริ่มและ้ะไม่ใช่ฮะที่ที่ถูกต้องเนี่ยคือทัศนค ต, ติตรงนี้เนี่ยสคัญมากยิ่งใกล้ชิดกับเอาลอทำดูลิลาเอลาลอให้ฉันนะมันก็ไม่ลืมบุญคุณของอล้อนะฮะที่คุณ ความโปรดปานแห่งอิสลามและ إ ي م านเป็นความโปรดปานที่ใหญ่ที่สุดและเป็นความโปรดปานที่อลัลลอฮ์ให้แก่ผู้ที่อลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลบรสุ์อินกุลตุมซอดิกีอัลลอฮ์ดูนะหาพวกท่านจะพูดให้ถูกนะไม่ใช่พวกท่านมีบุญคุณต่อท่านนาบีหรือมีบุญคุณต่อศาสนานี้นะถ้าจะพูดให้ถูกอลัลลอฮ์ต่างหากมีบุญคุณกับพวกท่านที่ให้พวกท่านเข้ารับอิสลามหรือว่ามี إ ي ม ا ن นนั่นเองแต่นั้นอายะเนี่ยยันนี้บอกอูดะคีละ่ะถูกนําเข้า ถูกนำเข้าเขาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเองว่าอู้ดคใครครับถูกนำเข้าสวรรค์อัลลอฮฺดีนอามานูบนันดาผู้สัทธาคู่เสมอนะฮะไม่ใช่อามานูอย่างเดียวนะฮะอีมานอย่างเดียวเปล่าห ว, วามิลุสซอลีฮัและประกอบด้วยอะไรนี้แม้ว่าท่านนาบีจะบอกว่าจะไม่มีใครเข้าสวรรค์เนื่องจากการงานของตนเองแต่อิสลามส่งเสริมให้ทาการงานที่บอกว่า ไม่มีใครเข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของตัวเองเนี่ยกำลังจะบอกว่าคุณทาไปเนี่ยนะฮะที่คุณทำไปเนี่ยอย่าถือว่าเป็นการมีบุญคุณเหนืออัลลอ์แต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยเขาส่งเสริมให้มีการทำและนี่เป็นเคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และสังเกตดูชีวิตของคนที่หมดหวังสิ้นหวังเวลาสมมติอายุมากแล้วกเกษียณแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของคนที่สมมติว่าเขากเกษียรดูเหมือนว่าจะ ชีวิตนี่สามารถที่ทําอะไรไม่ต้องมีงานหลายคนที่จะรู้สึกว่าอชีวิตนี้มันไม่มีเขาเรียกอะไรฮะมันไม่มีคุณค่าแต่ซ้ำไม่เคยสอนแบบนี้แต่ไปที่มีละหมาดมีการงานที่ดีสามารถเออ่ทําความดีต่างๆได้เนี่ยยังคงมีคุณค่าเสมอคนที่เวลาหมดอะไรแต่อยากเขาคิดว่าชีวิตเอไม่ต้องทํางานแล้วพรางชีวิตที่จะมีคุณค่าเนี่ยก็คือชีวิตที่มีอามิลุสซาลิฮัเพราะ Allah ว่าค็ดลับในการมีชีวิตนะ Allah ี่ขั้อัลมาตเนสรออัลมุลก อัลลอฮ์ดียวคนละคมัลส์อัลลอฮ์คือผู้สร้างความตายวัลเฮียและสร้างการมีชีวิตเหลียบลูวะกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าไอ ย, ยูกุมอัสนูอัมมละว่าใครจะมีการงานที่ดีแสดงว่าตัวการงานเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะฮะเวลาเขาทําอะไรให้กับสังคมทําอะไรแล้วเนี่ยจะเป็นมุมไหนก็ตามเนี่ยนะฮะทําแล้วเนี่ยจะรู้สึกดีนนี้เป็นสุนตุลละเราสร้สางมนุษย์มาแบบเนี้ยฮะมีแคล็ดลับ แล้วมันจะยิ่งดีเขาใหญ่คือทําอะไรแล้วทําการงานทั่วๆไปในดีแล้วนะยิ่งการงานที่ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมีความประณีตมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเป็นปัจจัยทําให้เกิดความสุขมากเท่านั้นอันนี้คือเป็นธรรมชาติเทอรอสุบหาฮหานหัวตาลาสร้างมนุษย์มานะฮะของคู่กันเสมออามานุว่ามิรุสตอรีฮัสอามานุนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นโลกภายในนะฮะอามิรุสตอรีฮัสเนี่ยโลกภายนอกซึ่งโลกภายในกับโลกภายนอกเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันเสมอต้องปลูกฝังจากข้างในความคิดแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมไม่มีทางที่จะแยกจากกันแต่เราจะรู้เลยว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่บอกเอาฉันศรัทธาดีแล้วไม่ต้องทําการงานที่ดีก็ได้ไม่มีนะฮะหลักสูตรนี้ที่อยู่ในเอ่ากุรรานอยู่ในซุนนะของท่านอันนบดุลเลาะห์หัวอะไรสักอย่าคือจะไม่ต้องศรัทธาศรัทธาในซามารอตุลอีมาน ไหนอะไรคือเป็นผลลัพธ์ของความศรัทธาก็ต้องมีสิ่งที่แสดงออกมานะฮะแล้วเนี่ยอายะต่างๆเนี่ยหลายอายะมากในคุรานอัลลอฮุซุบฮานุฮวาตานจะพูดยาซามบิมาการุยุมินุนเป็นการตอบแทนจากสิ่งที่พวกเขายุมีนุนศรัทธาเราไม่ได้พูดแบบนี้ยาซานบิมาการุยามละเดี๋ยวผมจะลองเสริเสร์ตให้พี่น้องดูจะได้เห็นๆ เ, เลยนะครับว่าอายะเยอะขนาดไหน มาเลยฝยอยู่นับยูหุบิมาการุเราจะบอกพวกเขาเนี่ยแต่สิ่งที่พวกเขาเนี่ยเคยกระทาดูนะฮะดูนนี้สาหรับบรรดาผู้ศรัทธาว่าหัววาลียูหุบิมาการุยามาลุนฝ่ายอะไรต้องบิมาการุอันนี้คนลอันวารุจุลุหุบิมาการุยามาลุนคือจานวนอายันเนี่ยหลายอายามากจาระานบิมาการุยามาลุนนูสนั้นเป็นการตอบแทนจากเรานะฮะบิมาการุยามาลุน บิมอาการุยยามดินบรรดาคนที่เอทําความผิดทําความชั่วต่างๆเนี่ยเราตอบแทนอะไรฮะเนื่องจากการกระทำทั้งสิ้นนะครับแล้วกลับมาแสดงว่าอ ي م ا ن กับอามันซอนลเละเนี่ยเป็นของของคู่กันศรัทธาต่อหล่อเดี๋ยวมจะมีอายะต่อไปนะครับเป็นอายะที่ดีมากอายะดีทั้งหมดนะครับแต่บางจุดที่บางทีเราอาจจะเป็นกระทบกับจิตใจของเรามากเนก็จะเป็นพิเศษนะครับเอจะถูกนําบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีนะฮะจะถูกนําเข้า จันนัตจันนัตก็คือสวนสวรรค์หลากหลายลักษณะของสวรรค์เนี่ยก็คือเตจีรีไหลมินตหติฮะใต้สวรรค์ก็คืออัอนฮาร์บรรดาแม่น้ําทั้งหลาย น, นัรุนเป็นพระอุปเป็นเอกพจน์แม่น้ําสายหนึ่งอันฮาร์เป็นเทวอุพจน์บรรดาแม่น้ำไหลาสายจะไหลผ่านภายใตย้สวนสวรรค์เหล่านั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ ในสวรรค์เนี่ยเาได้สาธยายตามธรรมชาติที่มนุษย์มีความต้องการแต่มันไม่เหมือนที่จินตนาการที่เราได้บอกในฮะดิสกุรัีนะฮะอาจตุลิอิบาดีสซาลิฮิมาลาอัยนุนราตข้าได้เตรียมให้แก่ปวงบาวที่บดีอกับปวงบาวที่ทำความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายหนึ่งมาลาอัยนุนราต สิ่งที่สายตาไม่เคยมองเห็นเวลาอูตุนุนสมิอตสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินเวลาข้อตรออลาเปิลบิบชและไม่เคยมีใครจินตนาการได้แต่ที่ลอสุบฮาห์นหะัวตะลาบอกเนี่ยในสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในสิ่งที่มนุ่นตะเข้าใจได้มีแม่น้ำจริงแต่แม่น้ำจไม่เหมือนกับที่เราได้จินตนาการแต่ว่าสิ่งที่มันตอบแทนคือตอบสนองมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกับ บรรดาผู้ศรัทธาที่ได้รับอะไรนะฮะปัจจัยังชีพหรือสกีต่างๆจากสวนกุลมารุสิกุมินฮะมิสมิสั ม, สมรติริสกอนกาลูฮาดาลัีธิริสกนามินกับลวอตูบีฮิมุตชาบิฮเขาก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเคยรับประทานมาก่อนเลาบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับริสกีที่มันมีความคล้ายคลึงกันนะครับ เข้าสวรรค์สวรรค์นี่ลักษณะเป็นยังไงครับมีแม่น้ําไหลสายในไหลผ่านนี้เป็นเป็นทิวทัศน์ถ้าเราจินตนาการที่เราเห็นภาพนะฮะสถานที่ที่มีลักษณะแบบนี้มีแมมีแม่น้ําไหลไหลผ่านแล้วก็อยู่ในเราอยู่เบื้องบนนะฮะสวยดูในเอภาพในในดุนยานี้ก็คือยังสวยนะและในสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่ามีความสวยงามกว่านะครับแน่นอนข้อหลีดีนะอยู่ในสวรรค์ในสภาพที่ตลอดการข้อหลีดีนะ ฟีฮาในนั้นมาตอบย้ำอีกทีหนึ่งว่ า, วาอุทธิ์ิละถูกนำเข้าเนี่ยใครเป็นผู้ให้เข้าบีอิสนีรบบีหิด้วยอนุญาตของพระเจ้าพวกเขาอันนี้ก็เป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบรรดาผู้ศรัทธาและผปรกอบคุณงามความดียิ่งจำเป็นจะต้องนอบน้อมต่อร้องสุบฮาโนหัวแต่ละให้มาบี อ, อิสนีรบบีฮิขออนุญาตขออนุญาตเจ้าของสวรรค์ เราจะศรัทธาต่อ Allah ขนาดไหนเข้มแข็งขนาดไหนจะมีการงานที่มากขนาดไหนดีขนาดไหนเนี่ยต้องบีอ f nearabihim ขออนุญาตต่อ Allah โอ้ Allah ฉันขออนุญาตขออนุญาตนสวรรค์ของใครฮะสวรรค์ของ Allah เราขออนุญาตจาก a l า a h Subhanahu wa Taala ดังนั้นแสดงว่าคนทําการงานที่ดีเนี่ยส่งเสริมใช่ไหมครับแต่ทําในลักษณะของผู้ที่ขออนุญาต Allah ที่ฉันจะบอว่าการงานเนี่ยนะฮะ การงานจะไม่ทําให้เราเข้าสวรรค์แต่ด้วยกับความเมตตาขอเ่าทําให้เราเข้าสวรรค์แต่สงเสุงไม่ทําการงานไม่ใช่รเราบอกเอาแบบนี้ก็ไม่ต้องทําการงานที่ดีอเราจะให้เข้าก็ให้เข้าเปล่าเอาเราจะให้เข้าใช่ครับการงานที่ดีพร้อมกับมีความนอบน้อมต่อ Allah จากนั้นเนี่ยการงานที่ทําเนี่ยนะครับเพื่อแสวงหาความโปรดปานของ Allah s า, า, า b h a n a h u wa t ล a บ a อ i i t h n i r o b i h i m ด้วยกับอนุญาตขอล l l a h พระเจ้าของพวกเขาแต่ให้อีตาตูมแล้วเราจบอายะ โดยการกล่าวจะให้ยันนี่แปลว่าอะไรฮะการกล่าวทักทายของพวกเขาของใครอะครับคนที่ถูกเข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะฟีฮา ah ในนั้นเนี่ยสลามก็คือสาลาโมอาเลกุมแต่ให้ยัตูมฟีฮาซาลามคำทักทายของชาวสวรรค์ก็คืออัสซาลาโมอาเลกุมหรือว่าสาลามุนอาเลกุมคําทักทายของชาวสวรรค์มีประโยชน์ไหมครับเรารู้ตรงนี้มีประโยชน์แน่นอน พรนืงจาว่าอ๋อนี่คำทักทายของชาวสวรรค์ทำยังไงครับอยากเป็นชาวสวรรค์เรียนแบบอยากจะเป็นชาวสวรรค์เรียนแบบนที่บอกว่าเราอินเทรนด์ที่สุดหรือว่าเราโอ้โหคนที่แบบว่าคนคนชั้นนําของโลกอะฮะแน่นอนชาวสวรรค์ใช่ไหมฮะใครๆก็อยากเป็นไปถามใครเนี่ยเขาอยากเป็นทั้งหมดแต่ไม่มีใครสักกี่คนจะรู้ว่าชาวสวรรค์เขาทักทายกันอย่างไรแลวบอกว่ให้ยาตุุมฟีฮาสุลต์ แล้วก็โลกนี้มุสลิมทุกคนอัลฮัมดุลิลละเราจะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับมุสลิมทุกคนที่ศรัทธาต่อแล้วแน่นอนนี่คือเราสุภทานเราจะให้มุสลิมทุกคนและลองดูในโลกนี้ฮะมุสลิมมีใครให้สลามไม่เป็นมั้งฮะไม่น่าจะมีนะฮะทั่วไปในมุสลิมให้สลามได้แล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยใช้ใช้การให้สลามเนี่ยเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าฝึกฝนการพูดแบบชาวสวรรค์หรือว่าการใช้ถ้อยคําที่ชาวสวรรค์เนี่ยเขาใช้กัน และแน่นอนนี่ทางจิตวิทยาพูดนะฮะใครที่ต้องการจะเป็นอย่างใครเนี่ยคือให้เรียนแบบถอดแบบทุกเรื่องนะฮะสมมติต้องการจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคือปฏิบัติดูเขาทำยังไงมีบุคลิกภาพยังไงคนนี้เราก็ปฏิบัติเรียนแบบเขาเอาัลลอฮฺซุบะฮฺร์รานุวะนีคือสอนสอนยังไงฮะสอนเคือเชิงจิตวิทยาแน่นอนคือต้องการเป็นชาวสวนให้เอาคาของชาวสวนเะนี่ยเอามาใช้ก่อน มีโมเดลหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากที่ทางภาคใต้เขาใช้กันเยอะนะฮะใบตีจนตันนาตีบ้านของฉันสวรรค์ของฉันม I, ันต้องรสติจันนาตีโรงเรียนของฉันสวรรค์ของฉันน ะ, ะผมว่าเออเอาสโลแกนเอามาใช้ในชีวิตของเราสมมุติเป็นบ้านเลยกันนะครับหรือจะจะเป็นโรงเรียนก็ได้หรือจะเป็นส่วนไหนก็ได้ที่เราสามารถจะดูได้สมมติเป็นบ้านของเราเนี่ยใบตีจนตันนาตีบ้านของฉันสวรรค์ของฉันสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับอะไรบ้างที่ลักษณะของสวรรค์เนี่ยเอามาใช้ บ้านมีการศึกษาความรู้เพราะอะไรครับเพราะท่านนาบีสุลลัลฮุลอยสัมบบ ว, ว่าใครก็ตามมันส ล, ลัะกะตอริก่อนยังต้มีซูฟีฮิเอญมันซาฮละลลาฮูลาหูบิฮีตอรีก่อนอิลลัลจันนะใครที่อยู่ในหนทางสงหวางความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาง่ายได้ไปสู่สวรรค์แสดงว่าบ้านของเราต้องเป็นสถานที่ที่เราจะเพิ่มพูนความรู้ความรู้ที่นํามาซึ่งการปฏิบัติอันนี้คือแน่นอนนะฮะนี่คือความหมายของความรู้แสดงว่าความรู้เนี่ยนำสู่สวรรค์อันหนึ่นงละจะเป็นโรงเรียนนี่แน่นอนโรงเรียน เป็นโรงที่จะใช้เรียนใช่ไหมครัโรงเป็นสถานที่เรียนสถานที่เรียนสถานที่เรียนคือเรียนรู้และความรู้เป็นไงครับความรู้ต้องนําให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นหรือใกล้ใกล้ชิดกับสวรรค์มากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างครับในสวรรค์หนึ่งก็คื อ, เ, อเวลาสล า, า, าสลามแต่ให้ยาตูฮุมฟีฮาสสลามคำทักทายของพวกเขาในในนั้นเนี่ยคือสลามนะฮะแล้วเราบอกอีกอายะหนึงพูดถึงบรรดาชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาจะเข้าสวรรค์เนี่ย เวสีขั้วเหล่ีนั้นตั้งอยู่อะเลนะไปยังจันทติจุมราบรรดาผู้ที่ตักวานเนี่ยจะถูกนํานําตัวนะครับไปไปสู่ประตูสวรรค์ไปไปสู่สวรรค์เนี่ยเป็นกลุ่มๆเจ้ากระทั่งเมื่อไปสู่สวรรค์แล้วเนี่ยอบรรดาคนที่เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยก็จะกล่าวว่าอะไรฮะก่อนจะเข้าสวรรค์นะฮะซาลามุนลัยกลุมซาลามุนาอิกลุมตบนปะตูพวกท่านทําดี ถด็กครูดูคอหลีดิ่จงเข้าไปอยู่ในนั้นตลอดกาลอันนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีฮะในบ้านเราเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านก็จะมีให้สละคือทํำยังไงเนี่ยคือให้บรรยากาศดูสมมติของโรงเรียนก่อนจะเข้าประตูโรงเรียนเนี่ยมีการให้สละเพราะอะไรฮะก็เรียนแบบบางทีเห็นบางโรงเรียนหรือบางทีเราตอนเด็กๆไปเรียนใช่ไหมฮะโอ้โหครูถือไม่เดียวนี่มันดูเหมือนกับไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ คือคนจะมาโรงเรียนถ้าโรงเรียนในมุมของมุสลิมก็คือสถานที่ศึกษาอันจะนําไปสู่สวรรค์ใช่ไหมฮะนี่คือที่นบีนบีแนะนําแบบนี้ใครที่สวัคหาความรู้มัน อ, อะไรนะฮะสลักะตรีกรยันตะมิสูฟิฮิอินมัอินมันี่คือออินมินความรู้ใดก็ตามความรู้ที่เป็นความรู้เนี่ยมันจะนําไปสู่สวรรค์น่นแหความรู้ไม่เป็นความรู้ที่เป็นศาสนาอย่างเดียวความรู้ใดก็ตามจากนั้นโรงเรียน ที่มันเป็นความรู้ที่แท้จริงนะฮะมันย่อมที่จะนําไปสู่สวรรค์แต่เวลาเปิดต้อนรับนักเรียนแล้วถ้ามันดูว่ามันไม่ค่อยเฟรนลี่ไม่ค่อยต้อนรับไปสู่ขนทางสวรรค์เลยมันไม่เหมือนไม่เหมือนประตูสวรรค์นะฮะประตูสวรรค์เป็นยังไงครับประตูสวรรค์มาเลยครับบอกว่า salaamun alaykum al แสดงว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนก็ครูก็ควรจะทําแบบนี้ใช่ไหม salaamun alaykum al หรือที่บ้านเราเองเนี่ยก็ต้องมีสลาม salaamun a l ัยกุมดีมาก อ่านี่คือการชมเชยติปุตุมฟันดุคูลูฮาคอรินจงอยู่ในนั้นตลอดการสองก็คือด้านการให้สลามใช่ไหมฮะในสวรรค์มีอะไรครับเอ่อมีมีมตาจริมินตาห์ที่ฮันอันฮาร์มีเขาเรียกว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนี่ยก็น่าที่จะมีไม่จําเป็นต้องอะไรที่มันหรูหราอลังการก็ได้แต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามสวยงามเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างลักษณะนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากสวรรค์นั่นเองนะครับ มีอะไรอีกครับในสวรรค์ในสวรสวรค์มีเอคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นคนที่พูดจาที่ดีระหว่างกันอนิเมคนที่อยู่ข้างในสวรรค์เนี่ยเป็นคนที่ไม่โกรธเคืองกันและกันเลาได้บอกนะครับก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยวานาซานามาฟีสูดุริฮิมมินกิลินและเราจะถอดถอนสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมินกินลินจากความเครียดแค้นของพวกเขาที่มีต่อใครครับต่อบรรดามุสลิมด้วยกัน แสดงว่าอีกลักษณะหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนแบบลักษณะชาวสวรรค์ได้ก็คือไม่โกรธแค้นไม่อิจฉาริษยากับมุสลิมคนใดอันนี้ก็มีฮะดิษต์โดยตรงเลยนะครับที่ซอฟบ้าท่านหนึ่งที่ท่านน บ, บีนยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วปรากฏว่าในชาวซอสนะฮะซอฟบท่านเนี่ยไปตรวจสอบว่าการงานของเขาเนี่ยเป็นอะไรไม่มีอะไรนอกจากเขาเนี่ยไม่เครียดแค้นมุสลิมคนใดและไม่อิจฉาความดีใดที่เราซุบฮานุฮวาตะประทานให้กับพี่น้องมุสลิมคนอื่นแสดงว่า บางครั้งการปฏิบัติตามลักษณะของชาวสวนแต่เนิ่นเนินเนี่ยนะฮะมันเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เป็นชาวสวนจริงอันนี้แน่นอนการเรียนแบบยังไงชาวสวนปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราเรียนเรียนแบบนั้นเหมือนกับที่ท่านอับดุลเบี๊ยนสุลลามบอกนะครับลาตอร์ตูคูลุนเช่นฮัตตาตมีนูผู้ท่านจะไม่ได้เข้าสวนจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาเวลตถถาตุมินูและจะไม่ศรัทธาฮัตถถาตถถาตาฮาบูจนกว่าจะรักกันอความรักกันในระหว่างมุสลิมนะฮะ เป็นสิ่งจําเป็นวายิบและพวกท่านจะไม่ศรัทธาพบาศรัทธาจะสมบูรณ์เนี่ยเนื่องจากต้องฮัตตาตาฮาบุจะรักกันอาวลาอดุดลุกุมแล้วฉันจะบอกให้พวกท่านเอาไหมอวลาอดุดลุคุมอัลาชาอินสิ่งหนึ่งอิซาฟอันตูมูตาฮาบัตุมเมื่อพวกท่านทําสิ่งนั้นแล้วจะเกิดความรักกันอะไรครับอัฟชุสสลามไปนากุมให้สลามกันให้มากเอา้านั่นหมายความว่า ดูนะครับไล่เป็นทีละขั้นนะฮะหนึ่งก็คือให้สลามมากทําให้รักกันรักกันถือว่าเป็นอีิมานสมบูรณ์และอิมานสมบูรณ์ก็ได้เข้าสวรรค์กล่าวอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าการให้สลามกันให้มากเนี่ยเป็นปัจจัยนําเราสู่สวรรค์และเป็นปัจจัยทําให้อีิมานสมบูรณ์และเป็นปัจจัยทําให้เกิดความรักซึ่งกันและกันแล่นก็เป็นความจริงนะฮะ การให้สลามสารามุลอะไรกุมอัสลามออะไรกลุ่มการทักทายต่างๆเนี่ยมันมันบางครั้งมันขจัดเสนิมหรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่อยู่ในหัวใจเนี่ยออกไปโดยสิ้นเชิงหรือว่าออกไปบ้างนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของคําทักทายนี้แล้วเราบอกไม่ใช่เป็นคําทักทายธรรมดาคือมุสลิมเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างอย่างอิดวันอิฐแล้วเราก็เป็นผู้ที่เประธานใช้คําว่าพระราชทาน แทนอิดเนี่ยให้กับบัลดามุสลิมเนี่ยแทนอีดอื่นๆอาบดาลัลลัคุมุลลาบิหิมาใครรมินหุมายอมันฟิตรวยอมัาอัลละเปลี่ยนอิดวันรื่นเริงให้กับพวกเจ้าสองวันแทนวันรอื่นๆทั้งสิ้นแสดงว่ามุสลิมไม่ใช่ว่าคนมาฮมดาแล้วนะมุสลิมได้รับวันไหนครับอัลลอฮ์วันนี้นะวันนี้น ะ, ะมีเหตุผลตามที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติแน่นอนเช่นกัน คำทักทายอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เบสิกการน เ, เรื่องใช่ไหมฮะเบสิกในแต่ละปีต้องมีนั่นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตของมุสลิมไม่จะเป็นการเรื่องเองก็ตามและการทักทายแหละครับลอสซูบานุไม่ให้นะไม่ให้ใครเป็นคนคัดสรรเองจะเอาคําทักทายอะไรมาใช้ระหว่างกันลอสซูบานุหัวหน้าจะได้บอกเรื่องนี้เฟอิดาเดคอนตุมบูยูตัน ฟาเซนลิมูอาลาอัลฟุตกุมเมื่อผู้ท่านเข้าบ้านนะจงให้สลามกับตัวผู้ท่านเองถ้ามีคนอยู่ในบ้านก็ให้มไม่มีก็ให้สลับฟาเซนลิมูอาลาอัลฟุซกุมให้สลับกับตัวผู้ท่านเองแต่ฮียะตันเป็นการทักทายมินอิญดิลละที่มาจากอัลลอฮ์มูบะรอกาตันไปยีบะเป็นคําทักทายที่มาจากอัลลอฮ์มินอิญดิลละมีมีบาระกะมูบารอกาตันไปฮิบะและเป็นสิ่งที่ดี นั้นแสดงว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกครั้งที่ให้สลามโอ้โหมาจากอัลลอ์ไม่ใช่ว่ามาเป็นคนเลือกเองจะเอาคำไหนดีจะเอาเฮลโลหรือว่าไฮหรือว่าอะไรดีสวัสดีมันก็ไ ม, ไ ม, ไม่อาจจะไม่ผิดนะเขาใช้กันแบบนี้ก็อาจจะไม่ผิดแต่มันดูที่มาที่ไปรูสตอรี่แล้วเนี่ยโอ้โหมันมันก็จะมีความหมายแน่นอนแล้วก็าให้เป็นนามของอัลลอฮ์ดูสิฮะอัสสลามเป็นนามนาะอัลลมะอันตสลาวมิงกัสสลา สันติสุขนี้ก็คือมาจากลัทธิสุบฮานหัวตสลามเราบอกแต่ให้เยตุหุ่ฟี่ฮัสสลามการทักทายของพวกเขาเนี่ยก็คือการให้สลามดังนั้นก็เชิญชวนผมและพี่น้องนะฮะเราใช้เราได้รับเกียรติในมุสลิมเท่านั้นนะฮะคนอื่นเขาไม่ไม่ใช้คํานี้เราสังเกตไม่ใช้แต่ถ้าคนอื่นจะให้สลามมาเนี่ยศาสนาก็บอกว่าอะไรากลุมถ้าพูดมาสลามมาเราก็กว่าอะไรากุมมุสลิมเนี่ยได้แต่ถ้าบอกไม่ชัดอัสซามว่อะไรากุมว่าอะไรากลุมมาตอบแบบสั้นๆไปนะฮะขอพวกสั้นได้รับเช่นกัน แต่นีเน่เป็นเขาเรียกว่าชิอาร์ชิอาร์แปลว่าเป็นอัตลักษณ์ของมุสลิมเท่านั้นที่เขาเจะให้สลามกันให้สลับนี่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยแสดงว่านี่แห ล, ละเป็นอิมร์อัลลอฮ์เป็นถ้าเสียชีวิตในสภาพนี้ก็เป็นชาวสวรรค์เจอนะฮะแล้วชาวสวรรค์เป็นไงครับชาวสวรรค์รักกันไม่มีความขุ่นข้องมองใจระหว่างกันนะครับลอสุบฮานอหัวจะได้บอกต่อไปเด็กประมาณสองสามอายนะครับ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 و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون แล้สุบาน อ, อ, อูฮวาตัได้บอกอลมตรออะหรือลมไม่ตะรอเห็นมันจะคำว่า ร, า ร, า ร, าราออารออายะรอตะรอผมบอกครั้งที่แล้วนะลมเนี่ยเข้ามาเนี่ยไปตัดเขาเรียกว่าฮารฟุฮารฟุลอนะิลละก็คืออักษรที่ ออนแอมีสามอักษรในภาษา阿拉伯อลิฟเ ว, วยียตารอเดิมเนี่ยก็คือมีอลีฟเดือนยาอยู่ข้างท้ายใช่ไหมฮะเมื่อมีลำเข้าข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นอาลมตารอตัดไปเดิมเนี่ยเป็นตัวอลีฟอยู่ข้างล่างนะฮะจากรออาเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าไกฟ้อย่างไรดรบัลลออัลอุยกอุทาหอนมสาสลันดรบัลล์นี่คือประโยคมสาสลันแต่ว่าอุทาหอนอุทาหอนเรื่องอะไรครับกาลิมาตันคำ คำพูดหรือคําตอยีบะคําพูดที่ดีเราจะอุทานหอ์คําพูดที่ดีเหมือนกับอะไรครับบับลล์กาชาจารตินตอยีบะเหมือนกับต้นไม้ที่ดีเป็นยังไงครับต้นไม้ที่ดีอัสลูุฮาซาบิตุนรากของมันเนี่ยมั่นคงวัลฟรุฮาส่วนผลของมันกิ่งก้านแล้วก็ผลของมันเนี่ยฟิสซามะแผ่ขึ้นไปยังฟากฟ้า ล้อสุภานุจันทร์ยกตัวอย่างเนี่ยการยกตัวอย่างขอร้องเนี่ยเห็นภาพที่สุดและเป็นการยกตัวอย่างที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรนะครับการยกตัวอย่างเนี่ยเป็นการสร้างหรือเป็นการทําความเข้าใจกับอะไรบางอย่างที่บางครั้งเป็นเนามธรรมเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมสิ่งไกลเนี่ยเอาสิ่งใกล้ๆมายกตัวอย่างนะครับ เรายกตัวอย่างว่าไม่เห็นหรือว่าคําพูดที่ดีอุลมามะบอกกาลิมาตันตยีบ้านเนี่ยคืออะไรครับคือคํากล่าวว่าลาอิลาฮิลลอคาพูดที่ดีเนี่นะฮะคาพูดนี้ลาอลาฮิลลอหมุฮัมมัดุลรอซูลลอฮีคำพูดที่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่ดีคําพูดที่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่ดีเป็นยังไงครับรากของมันเนี่ยจะหลังลึกคือคำพูดที่ดีเนี่ยลาอลาฮิลลอหลังลึกไปในหัวใจ อสรุฮาซาบบตุนว่าฟรูฮาฟิสมะและกิ่งก้านของมันเนี่ยไปอยู่ในชั้นฟ้าหมายถึงว่าผลของมันเนี่ยจะให้ประโยชน์กับผู้คนเนี่ยอย่างมากมายเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์แล้วมีคำพูดที่ดีคำพูดที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าในนอจอมุมมันเป็นระสุนขออัลล์เนี่ยจะมีรากฐานที่มั่นคงฝังลึก ขณะเดียวกันเนี่ยก็ย่อมนําประโยชน์กับสาธารณชนในอย่างมากมายเหมือนกับที่ท่านอนดีตสุลต่านฮุกอันเลซัมเนี่ยและบรรดาสหายเราดิอออฮุอันฮุมให้ประโยชน์กับสังคมโลกมาอย่างมากมายแล้วดังนั้นเราก็ต้องมาขัดเกลว์คำคำพูดที่ดีนีนะ้เรามีทุกคนใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีเราก็บอกว่าเออมันมันไม่มันคงหรือเปล่า อสุลฮาซาบิสมันมันม่นคงไหมคาพูดนี้ชัดเจนไหมแล้วก็ถ้าจะชัดเจนเนี่ยผลของมันก็จะให้แก่ผู้คนให้ประโยชน์อันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่บ่งบอกให้เราเนี่ยเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับคนทั่วๆไปหมายถึงว่าแม้จะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามสโลแกนของมุสลิมเนีคือการให้ประโยชน์กับคนอันนี้คื อ, อ, อสิ่งที่เรารับนโยบายมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลนะครับอินนิจายดุลฟินอัลุดีคัลีฟะ ข้าให้ตัวแทนของพระองค์นบนหน้าแผ่นดิบแต่เราสั่งว่าอัลฮซินในสุรันกอซัสพวกท่านท่านจงทําความดีอัลฮซินกามาอัลลอฮุอิไลกเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำดีกับท่านทํำไมต้องทําดีด้วยฮะก็เหมือนกับที่เราได้รับความดีจากอัลลอฮ์เนี่ยจงทําดีทําดีกับใครครับอุลามะเขาบอกว่าหนึ่งก็คือทําดีกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านหนึ่งนะฮะจงทําดีกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านสองก็คือ จงทําดีกับผู้คนเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านท่านก็เป็นคนใช่ไหมฮะดังนั้นน่ก็สองมุมหน้าที่ของมุสลิมก็คือทําดีต่ออัลลอฮ์และทำดีต่อต่อคนอื่นอันนี้ก็คือชีวิตก็มีแค่นัหนึ่งก็คืออัสลิมอัลลอฮ์บอกกล่าวอัลลอฮ์ฮุยอะไรจงทําดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านทําดีความดีต่ออัลลอฮ์เหมือนที่อัลลอฮ์ทำความดีกับท่านทําความดีต่อผู้คนเหมือนกที่อัลลอฮ์ทำความดีต่อท่านที่เป็นคนใช่ไหมฮะ เวลาตบกินฟาซาดฟิลอาตและย่าสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้ท่านยิมายมิโน ก, กยิมเนี่ยได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยแผ่นดินเนี่ยเป็นสถานที่ที่เออเป็ น, ม, น, ม, นมันเป็นมันเป็นบทเรียนสำหรับเราฮะจงเป็นเหมือนกับดินยังไงฮะดินเนี่ยให้ประโยชน์กับเราเนยอย่างมากมายใช่ไหมฮะบางทีคนเนี่ยให้สิ่งที่เลวร้ายลงไปในแผ่นดินถูกไหมฮะ แต่ดินให้อะไรครับให้สิ่งที่ดีๆตอบรับกลับมาคนเอาของเสียเอาของเน่าเอาของไม่ดีเนี่ยใส่ลงไปในดินแต่ดินเนี่ยก็ให้สิ่งที่ดีงออกมาใหกับมนุษย์เสมอใช่ไหมฮะยกเว้ น, นในสภาพที่มนุษย์สร้างความเสื่อมเสียแล้วให้ธรณีสุบแ้วให้จอร์แดนฟัซาดูฟิลบอรรีวอลบารรบิมากัสบัตไอดินนัสความเสื่อมเสียบนแผ่นดินบนผืนน้ามันเกิดอันเนื่องจากน้ํามือของมนุษย์แต่ปกติแล้วในดินเนี่ย ให้ความดีกับสังคมกับทั่วคนทั่วๆไปดังนั้นเรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่ได้รับความดีจากแผ่นดินมุสลิมเนี่ยตรรกว่าตนเองเนี่ยเกิดจากดินใช่ไหมฮะข้ออันชากรุมมินันอัอลลอฮ์คือผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาจากแผ่นดินวัสต้างรักุมฟิฮันละให้พวกเจ้าหนึ่งได้เลยฮะได้สร้างสารรค์ความดีให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินแล้วมุสลิมจึงจําเป็นต้องตระหนักในข้อเท็จริงนี้คือดินมันมีหลายความหมายนะฮะดินในความเออ ในความติดดินเลยก็ในความที่เป็นธรรมชาติหนึ่งนะครับสองก็คือดินในความหมายของการให้ประโยชน์เราตาระหนักว่าเราเนี่มาจากดินใช่ไหมฮะและดินเป็นยังไงครับดินก็คือเป็นสถานที่ที่ให้ประโยชน์กับผู้คนกว้างขวาขงที่สุดเรียกได้ว่าไม่มีใครบนโลกนี้ไม่ได้รับประโยชน์จากดินทุกอย่างในะกินของอะไรต่างๆเนี่ยมาจากดินทั้งสิน้นดังนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยตระหนักว่าตนเองเนี่ย มาจากดินและจงให้ประโยชน์กับผู้คนเหมือนกับที่ดินเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้คนบางทีเนี่ยผู้คนอาจจะทําร้ายก็ได้ด้วยซ้ําไปเหมือนท่านนาบีซอลลอฮฺอะไรแบบนั้นแต่ท่านก็ยังคงให้ประโยชน์กับผู้คนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเพราะนี่คือคนที่ดีที่สุดที่ท่านนบีบอกคอยรุนัสอัลฟาอัลฮุมนินนะคนดีที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากที่สุดตนเองนะครับดังนั้นนี่คือ วิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาที่มีพื้นฐานของคำพูดที่ดีมันไม่เหมือนคนอื่นนะฮะตรง น, นี้เป็นเป็นส่วนสำคัญมากอย่างที่เาบอกในสุราอัลอัลอัลฟุรกอนตอนท้ายนะฮะว่อิบานุรั์มานบ่าวของอัลลอฮ์นี่เรามีสังกัดสังกัดนี้เนี่ยคือบ่าวของอัลลอฮ์มานบ่าวของผู้ที่กรุณาผู้ที่เมตตาอัลลอฮ์บ่าวของผู้เมตตาอัลลอ์มานอัลละมันกุราน خلق الإنسان อัลลอฮ์มะฮูลเบียร์ Allah سبحانه و ให้นะฮะให้มนุษย์ทั้งหมด خلق الإنسان มนุษย์เราสร้างหมดไหมฮะหมดผู้ปฏิเสธสร้างไหมฮะสร้างผู้ปฏิเสธโอเคสร้างตอนแรกไม่ปฏิเสธอ่ามาปฏิเสธปฏิเสธเสร็จแล้วไงครับให้ริสกีไหมครับบอกตัดเปล่าให้ริสกีต่อปฏิเสธแล้วอัลลอมะฮูลเบียร์เรก็ยังทรงสอนให้เขาใช้สามารถใช้ใช้การสื่อสารมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบัญญัตได้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นบัญญัตได้อัลลอมะฮุนบัญญัอัลลอฮฺ Allah สอนบัญญัตนี่คืออะไรฮะสอนให้สามารถอธิบายบยานนัญญัติอธิบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคําพูดมีสิ่งมีชีวิตอื่นทําได้ไหมฮะไม่ได้แล้วใครสอนครับ อ, อัลลอฮฺสอนอัลลอมะฮุนบัญญัแสดงว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะนะอัลลอฮฺมะฮุนเป็นผู้เมตตาและเราเป็นใครครับก็เป็นบ่าวของผู้เมตตาคนอื่นเขาปฏิเสธนะฮะ ดังนั้นคนที่จะให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดคนที่จะเมตตากับคนมากที่สุดก็คือใครครับผู้ที่สังกัดอัลลอฮมาท่านอบีเนี่ยจึงถูกขนานนามหรือถูกแต่งตั้งเพราะท่านเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่ดีที่สุดว่มารุสันนากะอิลลอห์มัตัลิลลาลลมินเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดเพื่อภารกิจใดนอกจากเพื่อท่านเนี่ยอัลลอฮ์เป็นความเมตตากับมนุษยชาติทั้งหลายทุกเรื่องทุกมิติน ะ, ะนี่ฟันธงได้แม้แต่มิติบางอย่างที่คนอาจจะมองว่าไม่เป็นความเมตตาก็ตาม <S <S ผมยกตัวอย่าง อย่างเร็วๆนะครับอย่างเช่นการ jihad jihad นี่ยังไงดูไม่เมตามตาครับลอสุบฮานะฮัวตละลาเนี่ยได้บอกเหตุผลในการที่พระองค์ได้บัญญัติการ jihad นะว่าเราเลาดุอลอออะ น, นัสบ้าเราหุ่นบีบบ้าห้ากรอไม่ห้ากรอสัดขวางผู้คนไม่ให้มีการทำสงครามกันแล้วหมายถึงว่าไม่ให้ไม่อนุญาตให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีการปกป้องมีการเอ่อใช้การ jihad แล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นเราบอกใหุ้ผ ล, ละาหุดเดมัสสวาเมิอแน่นอนว่าสวามเมี่ยก็คือบทยิวเ อ, อบทบทยิวนะครับวอบิยอุนบทคริสตน่ยผมอาจจะแปลผิดแปลถูกนิดหนึ่งนะคือทั้งสามส่วนนี้เนี่ยก็มีสามอย่างมีวัดมีบทยิวมีบทคริสสวาเมิเวอบิยาอุนเวศละวาตุนสามอย่างนะฮะและสี่ก็คือว่ามาซ่ายิดุและมัสยิด ลาฮุดดิมัตแน่นอนสิ่งเหล่านี้สี่ประการนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ๆของแต่ละศาสนาใช่ไหมฮะจะถูกทำลายลงถ้าหากไม่มีการจีฮัดยุติกรลูฟิฮัสมุลลาฮิกัสซีรอที่มีการระลึกถึงร้อยอย่างมากมายแสดงว่าบัญญัติให้มีการจีฮัตจริงๆแล้วเนี่ยก็คือรักษาความสงบรักษาเขาเรียกอะไรฮะความสงบสุขของมนุษยชาตินั่นเอง ขณาดที่ไม่ใช่ปกป้องเฉพาะมัสยิดอย่างเดียวนะฮะปกป้องศัสธรสถานต่างๆของผู้คนเนี่ยเพื่อไม่ให้ถูกทําลายจากบรรดาทราราชต่างๆนี่คือเป้าหมายแม้แต่การจีฮัตเนี่ยก็ยังมีเป้าหมายเช่นนี้ดังนั้นท่านอบีบอรอฮวยสัมถะไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความไม่มีการจีฮัตของมุสลิมแล้วะจะเกิดความเสียหายได้มากกว่าแต่เราไม่ปฏิเสธบางทีอาจจะมีคนที่ตีความผิดพลาดไปเนี่ยก็เป็นไปได้มันก็มีหลากหลายใช่ไหมฮะ อติผิดพลาดไปมันก็ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างี่ความผิดพลาดมุสลิมสุดตรงมีใช่แต่มันก็มีคนอื่นที่สุดตรงเหมือนกันเวลาพูดบางทีไม่ค่อยพูดใช่ไหมมีแต่พูดมุสลิมสุดตรงอย่างเดียวแล้วคนอื่นสุดตรงมีไหมครับก็มีเหมือนกันอไม่มีฮะหรือว่ามีเฉพาะมุสลิมที่สุดตรงมีไหมเหมือนกันคนที่แบบบางที่สุดตรงแบบเนียนบ้างคนแบบจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าถึงทราบเถิดสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาบัญญัติเนี่ยบนพื้นฐานของความเมตตา สิ่งที่ท่านอบีปฏิบัติะนะครับว่ามาอัลสันะอิลลัรอ์มัตเลินลลินเราไม่ได้ส่งท่นานนอกจากด้วยความเมตตาเท่านั้นดังนั้นจึงกลับมาที่อายะเนี่ยว่าผู้ศรัทธาเนี่ยคําคที่ลาอิลลาฮิลอฮ์มุฮัมมัดุลลอซูลลอฮ์เนี่ยมันเป็นคําที่ต้องฝังรากลึกข้างในใช่ไหมครัแล้วมันมีผลเนี่ยแหละฮะที่ผมบอกข้างต้นเมื่อกี้ว่าศรัทธาเนี่ยอยู่ข้างในใช่ไหมครับคำที่เริดที่ส่งคำศรัทธาก็คือการกล่าวว่าลาอิลาฮิลอฮ์ลลนั่นเอง แต่มันก็ควรที่จะมีผลผลอย่างน้อยเนี่ยคนใกล้ชิดกับเรามุสลิมไม่ใช่ม <efendim> ุสล <differences> ิมเนี่ยเขาได้รับความดีจากเรานะครับว่าฟะรห์ฮะฟิสซามะแล้วเบอกตุตีอุกุลหะโดยผลของมันเนี่ยอูกุลหะจะออกมาทุกการเวลาผลของมันเนี่ยจะออกมากุลฮีนินก็คือทุกเวลาบีอิดนิรอบบีฮานด้วยกับอนุญาตของ a า l a h เช่นกันวายัริบุลลอฮุลอัมซาลีนัสเรายกตัวอย่างเหล่านี้ให้แก่มนุษย์เนี่ยละอัลละหุมยูสักครันจะได้คิด จะได้รำลึกรำลึกถึงถ้อยคําอันทรงคุณค่าถ้อยคําอั น, นอันนี้จริงๆมันมีเอคขาเรียกอะไรครับคำเนี่ยสำคัญมากคําพูดอิสลามเอาใจใส่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากคาพูดที่ดีมีที่พลกับชีวิตของเราอันนี้นอิสลามจึงดูนะฮะส่งเสริมให้มีการคําใช้คําพูดที่ดีท่านนาบีศาาสั่งสอนไว้ในฮะดิษเนี่ยเยอะมากหลายบทสองอย่างที่เราควรที่จะเอาใจใส่หนึ่งคือความคิด และสองคือคําพูดหนึ่งความคิดและสองคือคําพูดความความคิดนี่คืออะไรฮะความคิดนี่คือจุดเริ่มต้นของคําพูดบางทีอาจจะคิดไม่ดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าระงับไว้ก่อนก็ดีกว่าแต่ถ้าสามารถตับตั้งแต่ความคิดได้มันก็จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะครับเราบอกตรงไปอวะมาซาลุกะลีมาตินข้อบีซะและอุปมาคําถ้อยคําที่ขอบีซะคาพูดที่เลวก็คือละมาเขาบอกว่าคืออะไรฮะ คือการมตุนกุฟคือการปฏิเสธต่อ a ล l a h กุฟอัลกชยาะรตินเหมือนกับชาะรต้นไม้ที่ขอบีตะเลวอุจตุัตเนี่เวลาอ่านแบบว่าเริ่มใหม่อุจตุัตในดูตูตาแต่ถ้าอ่านติดนะครับขอบีสตินิสตุสมิมฟากิลอรดุดก็คืออุจตุัตนี่คือถูกถอนมามิมฟากิลอรถูกถอนจากบนแผ่นดินออกมามันมีเหมือนกัน แต่มันจะถูกถอนออกมามาระฮามินกรอร์มันไม่มีความมั่นคงเลยคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่มีถูกถอนออกมาก็คือไม่มีคุณค่าอายะอีกอายะหนึ่งที่เราพูดสุบฮานอหัวตาลาลรล์ได้บอกถึงฟองน้ำเรายกอุทาหอนนะฮะเกี่ยวกับน้ำที่เป็นฟองน้าที่เป็นฟองหรือ การหลอมเหล็กหรือหลอมทองเนี่ยแล้วมันจะมีไอ้ข้างบนที่มันเป็นฟองนะฮะเราได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรนะฮะฟอมัซซบดฟัยฮะบูฟาอไอ้ส่วนที่มันเป็นสิ่งเหลือเดนสิ่งที่มันเกินมาสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะฮะฟัยยฮะบูยูฟาอะพูดถึงเกี่ยวกับการงานของมนุษย์ด้วยใช่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นอะไรฮะ aa, ยูฟาอเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะ จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีความหมายวอัมมามายัมฟาอุลนะส่วนสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษย์ฟายัมกูซุฟิลอารุดมันก็จะคงอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้นนกะดะลิกะเอริบุลลอห์ลอัลัมซัดดังกล่าวนี้เรายกตัวอย่างท่านผม ย, ก, ยกตัวอย่างกลับไปสมยัยท่านนาบีสุลตาร์ฮวยส์คนต่อต้านท่านนาบีมีเยอะไหมฮะคือมันมันจะได้รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จเนี่ยย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์คนต่อต้านท่านนาบีเช่นอบบูละคับ อับูจฮันอับูละฮับนี่ยากเลยนะอับูจฮันอุจบาคนต่างๆที่ต่อต้านท่านนบีสอลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมเนี่ยคำถามเดียวที่มันจะพิสูจน์ว่าท่านนบีใช่หรือไม่ใช่ดูอะไรฮะดูที่ผลงานของท่านนบีสอลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอัลลอฮฺอบูละฮับมีอะไรบ้างที่ทิ้งให้กับโลกนี้มีไหมฮะไม่มีอบูจฮันนะฮะมีใครกล่าวถึงไหมฮะแม้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเองนะฮะมีใครกล่าวถึงกล่าวชมเชยมีมีไหมฮะ ไม่มีแล้วท่านอับดุลอลาะห์หัวอะไรอันสลัมฮะโอ้โหคือเรียกอ่านมันก็ตอบโจทตอบโจทร อ, อ, อ่ะคือต่อต้านกันมาตลอดต่อต้านกันมาตลอดใช่ไหมฮะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะเรามาดูผลเป็นไงครับโอ้โหผลละเรื่องแม้ว่าจะมีผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะจะมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเกียรมันนะแต่ว่ามันไม่มีใครจะเอาแบบเอาจากคําพูดของคนนั้นมามาตีมากเลยไม่มี ผลลัพที่เขาสร้างเนี่ยผมฟังครั้งหนึ่งของเชคอุไซมินนะฮะนูซมินครั้งหนท่านถูกถามถูกถามเกี่ยวกับบรรดาอุลมามะที่ยังประโยชน์กับสังคมมากอย่างเช่นอิหมามนาวีาเช่นนินูฮัยจัดเช่นอุลมามะแบบเซึ่งบรรดาอุลมามะเหล่านี้เนี่ยเขามีอกิดาแบบอชัยร้อเป็นประเด็นมั้ยเนี่ยมี อ, อกิดาแบบอชัยร้อ เชลวสัยมินก็ถูกถามเออบรรดาอุลามาเหล่านี้เนี่ยเราจะเช่นชาวกาณีหลายท่านนะแล้วจะปฏิบัติตามเขาเนี่ยได้ไหมคือมันมันเขามีความผิดพลาดเรื่องเหล่านี้เชลวสัยมินก็บอกว่าสุภาเราเลอะเราจะไม่จะไม่ปฏิบัติได้ไงคือบางคนถึงข น, น, นาดเผาอะไรนะฮะเผาตําราของอิบนุหะจัดอันอัสดาลนี้ก็คืออะไรฮะฟอตฮันบารีเงี้ยเป็นตําราอธิบายฮะดิสของอิมมัมบุคฮรีที่ดีที่สุดในดุลยานี้ที่อุลามาเขายอมรับกัน แต่คนที่ไม่มีความรู้หรือมีความเข่าเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นนกักบิดาของไอ้ชัยรัชก็เลยจัดการหรือว่าไม่เห็นคุณค่าเชคอุซัยมินก็ได้ตอบบอกว่าฉันเองเนี่ยคือตอบยาวน ะ, ะแต่มีส่วนหนึ่งที่ผมต้องการจะยกเกี่ยวข้องกับตัวอย่างนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นอื่นนะฮะจะได้ไม่ต้องตัดต่อในดันทั้งสิน้นแต่กําลังจะบอกประเด็นที่เชคอุซัยมินบอกว่าฉันเองเนี่ยดูสิอย่างเออิหมัมนาวีไงฮะตาระบตาราของท่านเนี่ย ปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มไหนในโลกมุสลิมเนี่ยล้วนแล้วแต่ยอมรับทั้งสิน้นน่าจะเป็นหลักฐานเชฟก็บอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะเออาเรียกอะไรนะฮะคือคือตัสเียคนหนึ่งคนใดเนี่ยต่อนหน้าอัลลอฮฺหมายถึอัลลอฮฺเป็นผู้รู้เฟาลาตุซักูอัลฟุตซักูอมลลอบอพวกท่านอย่าได้เอถือว่าตัวพวกท่านเนี่ยดีอันนี้เราสุบฮานควรจะได้ได้ปรามนะแต่เชฟโรซามีนก็บอกว่าฉันไม่ต้องการหมายถึงแบบนั้นแต่ว่า ดูดูผลงานของอิหม่ามนาบูวีอิบเนหฮายั์เนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่ตอบรับหมายถึงว่าหลังจากที่ท่านเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วนะฮะคนทั่วไปเนี่ยเขายอมรับตำหรับตําราของท่านเหล่านี้แล้วฉันเองเนี่ยหวังว่าอยากที่จะมีตําราของฉันบ้างเนี่ยเป็นที่ยอมรับเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นหมายถึงว่าคือ คือบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วปรากฏว่าตอนนี้เช้วิตามินเสียไปแล้วนะฮะเราให้มาหุลนร้อเนี่ยเป็นเป็ น, ปนสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วหนังสือของท่านเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับอย่างวงกว้างขวางเลยเช่นกันดังนั้นนี่ที่ลอสซูบฮานอะหัวตาเนี่ยได้บอกฟาอัอมซาบั ด, บดุฟาเยตฮะบูจูฟะะส่วนที่มันเหลือเด่นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่หายไป ว่าอัลมามายัมฟาอุนนัสฟายัมกุสุฟส่วนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนเนี่ยก็ยังคงอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับเออสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เอสําคัญมากที่มุสลิมจะต้องเใจจดใจจ่อแล้วก็เอาใจใส่นะครับอา่าเหลือไอะสุดท้ายนะครั บ, บ, รบอบบัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกยุสบิตุลลอฮฺลลัดีนอามานูานาบนิลกอลิสาบิติฟินฮะยัดิดนียะ وفي เ ل آ خ ر ة อัลลอฮฺจะให้ อบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีความหนักแน่นด้วยกับคําพูดของเขาเป็นเขาดิสาบิชคำพูดที่หนักแน่นก็คือคํากล่าวลายๆและล้อเนี่ยฟิลฮ a y a ติจุนยาในโลกนี้ว่าฟิลอาคิร์และในโลกหน้าเช่นกันเนี่ยเป็นหนึ่งในดูอาตัสบิชเป็นหนึ่งในดูอาตัสบิชที่เราขอนให้อลลอฮฺได้โปรดให้เขาเนี่ยมีคําหนักแน่นในดุนยาในในในอาคิร์เหมือนกับที่พวกเขาเอได้เคยหนักแน่นในดุนยามาก่อนวายูดิลลุลลอฮุซซาริมิลและอัลลอฮฺจะให้ บรรดาผู้อาธรรมเนี่ยหลงทางอดูตรงนี้นะอันนี้ก็สําคัญเราสุภาในะวรรณะบอกว่าอยู่ที่รุ่นลเราจะให้หลงทางใครครับอลซอลิมีนเราไม่ได้อาธรรมจะให้บรรดาผู้อธรรมเนี่ยหลงทางเนื่องจากการอธรรมของพวกเขาไม่ใช่ว่าเลาให้เนื่องจากการที่เลาอาธรรมพวกเขาเปล่าแต่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยอธรรมเราจรึงให้พวกเขาเนี่ยหลงทางนะครับไวฟอัลลอฮุมายยะชะและเราจะทําตามที่พระองค์เนี่ยประสงค์มัยยะชะคนจะบอกว่าเออ เอ่เอลอทําในสิ่งเอ่อคือไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะถามอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำอย่างนั้นทําไมทําแบบนั้นแบบนี้ว่าฮุมยุสอลุนคืออัลลอฮ์จะไม่ถูกถามผมจะมาย้ำให้แม่นนะอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาจะไม่ถูกถามจากสิ่งที่พระองค์เนี่ยกระทําแต่พวกเขาตังหากเนี่ยจะถูกถามก็คือพวกเราเนี่ยตังหากที่จะต้องเอาใจใส่กับการงานของตัวเราเองเราบอกว่าอัลลอฮ์จะให้หลงทางแก่ผู้ที่ยวลอประสงค์หรือคนที่บรรดา อาธรรมทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้บอกเออล้อทำไมต้องให้เขาหลงทางด้วยไม่ใช่หน้าที่ของเราแน่นอนนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือดูที่การงานของเราเองว่าเราเนี่ยได้ทําดีแล้วหรือยังหรือว่าทําให้ใกล้ชิดกับล้อสุภทานหัวตาแล้วหรือยังนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับในซุลรออิบรอฮิมาราฮิสตลามเนื้อหาทั้งหมดนี้ขอล้อประทานความให้ได้กับพวกเราในการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต อัลลอฮ ل รับขุนนะขับอาค ا ล ل ้าวิ่งฮาดะว่า ل ัลลอฮฺนะซีมะลิวะลักุมว่าสัลลฺลลาฮฺวะลานบีนะมุฮัมมัดว่าลาอาลีวะซัฮบีฮีวะสัลลฺม